เป็นพระนะลูกดกนะลูกหลานเ็รวดเร็วเลยเกินนะวันนี้เยอะกว่าคราวก่อนๆเราศึกษาธรรมะนะศึกษาเรื่องตัวเราเองศึกษาเพื่อตัวเราเองนะไม่ได้ศึกษาเพื่อคนอื่นคนแรกที่ได้ประโยชน์คือตัวเราเองคนอื่นก็จะได้รับประโยชน์ตามมา เบื้งต้นตัวเรามีความสุขกันพอเรามีความสุขแล้วคนรอบๆข้างเราคนในครอบครัวค่อยร่มเย็นเป็นสุขบางบ้านมีปัญหาทะเลาะกันอะไรกันหรือลูกดื้ออะไรเงี้ยหาทางแก้แก้ไม่ตกลองภาวนานะให้จิตใจมีความสุขมีความสงบมันมีความร่มเย็นออกมาจากใจเราใครเข้าใกล้ก็ร่มเย็น ในบ้านมันจะค่อยๆเย็นลงหลายบ้านนะที่เปลี่ยนฟังธรรมะพอเข้าใจแล้วเนี่ยคนแรกที่เปลี่ยนคือตัวเราเองหลายคนไปหาหลวงพ่อไม่เคยไปหาเลยไม่เคยฟังหลวงพ่อโดยตรงฟังจากซีดีอ่านจากหนังสือแล้วไปที่เมืองเมืองชนบอกไปขอบคุณหลวงพ่อชีวิตเขาเปลี่ยนเปรียนอย่างฉับพลันความทุกข์ตกหายไป ชีวิตเคยมีความทุกข์มากมายตอนนี้ความทุกข์ตกหายไปแล้วตกหายไปพร้อมๆกับใจที่ตื่นขึ้นมาเมื่อไร่ใจเราตื่นขึ้นมาความทุกข์จะร่วงหลง่นลงไปทันทีเมื่อไร่เราหลงไปในโลกของความคิดโลกของความฝันโลกของจินตนาการเนี่ยความทุกข์ถึงจะแทรกเข้ามาได้เนื่อหลายคนฟังธรรมะจนจิตตื่นคําว่าจิตตื่นของเราหมายถึงจิตซึ่งมันรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกกายรู้สึกใจ ไม่เป็นหลงเลิดเพลินอยู่ในโลกของความคิดในโลกนี้หาคนที่ตื่นขึ้นมายากที่สุดเราตื่นเฉพาะร่างกายแต่จิตใจไม่ตื่นห อ, อกนับตัวได้เลยนะในโลกนี้ตอนแรกๆที่หลวงพ่อพูดอย่างนี้คนไม่เชื่อนะถามว่าดูถูกเหยียดหยามสียอีบอกถ้าไม่ตื่นแล้วจะขับรถมาวัดได้ยังไงไม่ตื่นแล้วจะทำมาหากินได้ยังไงมันตื่นแต่ร่างกายจิตใจไม่ตื่น จิตใจหลงไปในโลกของความคิดความฝันตลอดเวลาความทุกข์ทั้งหลายและกิเลสทั้งหลายเนี่ยเกิดตอนที่ใจเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดนั่นเองดันั้นจะคิดเลินเลินไปนะคิดดีๆขึ้นมามีความสุขคิดไม่ดีมีความทุกข์ขึ้นมาหลงไปอย่างนี้เรื่อยแต่ถ้าเราภาวนาจนใจเราตื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่ตื่นแบบแห้งแรงด้วยนะ ตื่นออกมาจิตใจนี้นุ่มนวลอ่อนโยนจิตใจสว่างสวยมีความสุขมีความเบิกบานผุดขึ้นมาเองความสุขที่เราเคยรู้จักเนี่ยมันต้องเป็นความสุขที่มีสิ่งเร้ามีอะไรมายั่วเช่นนุมๆไปจีบสาวได้แล้วมีความสุขอะไรเงี้ยหรือว่าร่ารวยขึ้นมามีความสุขได้อยู่กับคนนี้มีความสุขได้กินอันนี้มีความสุขความสุขอย่างโลกๆเป็นความสุขที่ต้องอาศัยสิ่งร้าภายนอก แต่ถ้าเรามีสติขึ้นมาเรามีความสุขผุดขึ้นมาจากภายในความสุขขึ้นมาเองไม่ต้องทําอะไรทันทีที่จิตหยุดความปรุงแต่งจิตก็มีความสุขผุดขึ้นมาเลยจิตที่มันทุกทุกวันนี้เพราะมันปรุงไม่เลิกหลงไปในโลกของความปรุงแต่งให้เราคอยหัดรู้สึกนะรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจจนสติมันเกิดประจําสภาวะของรูปธรรมของนมามธรรมได้แม่นแล้วสติจะเกิดเอง อันทีที่สติเกิดจิตจะตั้งมั่นจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูมีสัมมาสมาธิพอจิตเราตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าความสุขหรือความทุกข์ไม่ว่ากุศลหรืออกุศลทั้งหลายแหล่ล้วนแต่เป็นของที่ผ่านมาแล้วผ่านไปเราเหมือนเรานั่งสบายๆนั่งเล่นนอนเล่นอยู่ในบ้านเราเรามองออกไปทางประตูมองไปทางหน้าต่างเห็นคนเดินผ่านหน้าบ้าน เนีความรู้สึก ท, ท, ทั้งหลายความสุขความทุกข์กุศลอกุศลทั้งหลายเหมือนมันเดินผ่านหน้าบ้านเราอยู่ในบ้านสบายสบายไม่เดือดร้อนอะไรกับใครเขาสิ่งที่ผ่านหน้าบ้านเราบางทีก็เป็นของสวยของงามนะบางทีก็เป็นของน่าเกลียดน่ากลัวเช่นหมาขี่เรือนวิ่งมาอะไรหมาบ้าวิ่งมาเนี่ผ่านหน้าบ้านไปอารมณ์ก็เหมือนกันนะอารมณ์บางทีก็อารมณ์ที่ดีบางทีก็อารมณ์ที่เลวผ่านมาแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ที่ดีหรืออารมณ์ที่เลวเนี่ย นักปฏิบัติที่แท้จริงจะเหมือนคนที่นอนเล่นในบ้านไม่วิ่งตามไปไม่ใช่เห็นสาวสวยเดินผ่านหน้าบ้านก็วิ่งตามเข้าไปนะเห็นหมาบ้าวิ่งมาก็วิ่งออกไปไล่ตีกับมันมจิตใจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นจิตใจจะแค่เป็นคนรู้คนดูแล้วก็สิ่งเหล่านั้นมันจะไม่แอบเข้ามาในบ้านเราเหมือนผู้ร้ายไม่กล้าเข้าบ้านเจ้าของบ้านยังตื่นอยู่ใจเราตื่นขึ้นมาผู้ร้ายคือกิเลสมันเข้ามาไม่ได้ แต่ถ้าใจเราหลับเมื่อไหร่นะมันย่องเข้ามาย่องเบาเบาจริงๆนะพะย่องเข้ามาไม่ทันรู้สึกหรอกกว่าจะรู้สึกตัวก็คือมันขึ้นไปขี่คอเรียบร้อยแล้วนะให้คอยรู้สึกนะรู้สึกวิธีรู้สึกตัวถามว่าความรู้สึกตัวเป็นยังไงความรู้สึกตัวก็คือความไม่หลงไปไม่เผลอไปไม่ลืมกายไม่ลืมใจพวกเราสังเกตไหมพวกเราจะลืมกายลืมใจแทบทั้งวันนะโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้เรียนธรรมะไม่ได้ฟังธรรมะ จนกระทั่งสติเกิดคนทั้งโลกลืมกายลืมใจทั้งวันตื่นขึ้นมาก็ดูคนอื่นจะคิดก็คิดเรื่องคนอื่นหรือคิดไปอดีตคือเรื่องตัวเองแต่คิดไปอดีตบ้างไปอนาคตบ้างไม่ใช่ตัวจริงของเราในปัจจุบันไปอยู่ในโลกของความคิดความฝันตลอดถึงจะคิดเรื่องตัวเองก็ต้องคิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตอะไรเงี้ไปเรื่อยๆเราไม่สามารถจะอยู่กับโลกปัจจุบันได้เพราะงั้นให้คอยรู้สึกรู้สึกไว ร่างกายเคลื่อนไหวค่อยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวค่อยรู้สึกนะรู้สึกไปเรื่อยๆต่อไปจิตมันจะจําสภาวะนะร่างกายเคลื่อนไหวนี่มีอาการอย่างนี้จิตเคลื่อนไหวมีอาการอย่างนี้นะความรู้สึกทั้งหลายแต่ละอย่างแต่ละอย่างมีอาการอย่างนีนะ้มีสภาวะอย่างนี้พนะอจิตมันจําได้แม่นแล้วต่อไปสติจะเกิดเองเช่นมะันจะําได้ว่าความใจลอยแอบไปคิดเป็นยังไงใจจะค่อยๆไหลไปนะ หลายๆไปคิดไปรู้เรื่องที่คิดขณะที่รู้เรื่องที่คิดลืมกายลืมใจนี่เรียกว่าขาดสติละเมื่อไรลืมกายลืมใจไม่นั้นเรียกขาดสตินะหรือบางทีความโกรธผุดขึ้นมาคนทั้งหลายพอโกรธขึ้นมาเนี่ยจะไปดูคนที่ทำให้เราโกรธนะส่วนผู้ปฏิบัติผู้มีสติจะเห็นความโกรธเนี่ยผุดขึ้นมามันจะผุดขึ้นมากลางอกนะถ้าผุด ขึ้นมาเล็กๆแค่ขัดใจนิดๆก็แค่คุณๆอยู่กลางอกเนี่ยถ้ามันรุนแรงนะมันพุ่งขึ้นหน้าเรียกว่าเลือดขึ้นหน้านะเห็นช้างเท่าหมูนี่นะเรื่องอะไรเห็นไม่ตรงความเป็นจริงนะให้เรารู้ทันนะรู้ทันกิเลสก่อนที่จะเป็นกิเลสตัวใหญ่เนี่ยเป็นกิเลสตัวเล็กมา ก, ก่อนนะถ้ากิเลสตัวใหญ่แล้วสู้ยากเหมือนคู่ชกเราตัวโตแล้วนะเราต้องชกตั้งแต่มันยังไม่โตนะชกเด็ก ได้เปรียบช่วงเด็กๆได้เปรียบเนีกิเลสันมันเป็นเด็กๆนะมันค่อยๆไหวยิบยัยิบยับยิบับขึ้นมาเนี่ยให้เรารู้ทันมันนี่แต่ก่อนที่เราจะเห็นกิเลส ต, ตัวเล็กได้เราก็ต้องหัดเห็นกิเลส ต, ตัวใหญ่ก่อนเพราะกิเลสที่ละเอียดมันดูยากหัดทีแรกก็จะเห็นของหยาบเช่นโทสะโทสะเกิดแล้วถึงจะเห็นต้องโมโ oh หแรงๆก่อนถึงจะรู้ว่าโมโ oh หขัดใจเล็กๆยังไม่รู้ว่าขัดใจน ต่อไปฝึกมากเข้ามากเข้าหัดสังเกตใจของเราไปเรื่อยๆต่อไปความขัดใจเล็กนิดเดียวเกิดขึ้นก็เห็นละนะสมัยยี่สิบปีก่อนหลวงพ่อหัดภาวนาหัดดูจิตดูใจตัวเองมีวันหนึ่งนั่งอยู่ในห้องในบ้านเดินออกมาหน้าบ้านเปิดประตูออกมาแสงแดดกระทบเปลือกตาแสงแดดกระทบเปลือกตาท่านี้ความขัดใจก็เกิดความขัดใจก็เกิด เวลาหน้าร้อนตอนเย็นๆลมเย็นๆทัดมาถูกปับ๊บความพอใจก็เกิดเนี่ยมันเล็กๆนะเล็กๆน้อยๆถ้าเราหัดเห็นนะมันจะโตไม่ทันถ้ามันไม่ทันโตเนี่ยเราจะดูปับ๊บขาดปั๊บดูปับป๊บขบับปั๊บนะถ้ามันโตซะแล้วทีสู้ไม่ไหวดูยังไงก็ไม่ขาดที่ดูไม่ขาดเพราะกำลังของสติมันอ่อนวกว่ากําลังของกิเลสค่อยฝึกนะไม่ยากหรอก ถ้ายากก็ไม่มีใครทําได้ตอนนี้คนที่ฟังหลวงพ่อทำได้เป็นพันแล้วละ่ะนะจิตที่ตื่นขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาถ้าไปที่วัดหลวงพ่อจะเห็นเลยบางวันนะคนมานั่งในศาลายังกระดาวแปรวไปหมดเลยนะสว่างสวยแต่ละคนเขามีความรู้สึกตัวขึ้นมาถามว่าไปทำอะไรมาแล้วดีจะตอบเหมือนกันเลยว่าไม่ได้ทำแล้วดีเนี่ยมันมันเหลือเชื่อนะทาแทบตายไม่ดีหรอก จะบอกไม่ไม่ได้ทําอะไรแค่รู้สึกร่างกายมันทําอะไรรู้สึกจิตใจมันแอบไปทําอะไรรู้สึกนะร่างกายจิตใจมันจะทํางานทั้งวันทั้งคืนห้ามมันไม่ได้นะเราไม่ได้ฝึกห้ามด้วยนะเช่นร่างกายเนี่ยเรานั่งอยู่เนี่ยมันต้องปวดต้องเมื่อยจะเป็นนั่งแล้วก็บอกห like no ้ามปวดห้ามเมื่อยหรือปวดเมื่อยแล้วจะเป็นนั่งให้หายปวดหายเมื่อยเนี่ยเข้าใจผิดร่างกายมีหน้าท an <ned? Announcer. S 1> ีチチ่เจ็บปวดถ้ามันปวดเมื่อยก็ต้องขยับไปมันหิวขึ้นมาก็ต้องไปกินข้าวอะไรเงี้ย มีความมีปัญหาก็าแก้เป็นคราวๆไปไม่ใช่ภาวนาแล้วมันจะไม่มีความทุกข์เราภาวนาเราไม่ได้ปลอมแปลงกายกระใจให้ผิดธรรมชาติอย่างบางคนภาวนาแล้วทำยังไงจิตจะหยุดคิดจิตมีหน้าที่คิดจิตไม่หยุดคิดหรอกจะเป็นบังคับจิตให้หยุดคิดนี่เข้าใจผิดพระอรหันต์ไม่ใช่คนที่บังคับกายบังคับใจได้นะอย่าเข้าใจผิด หลายคนเข้าใจว่าถ้าเราบังคับกายบังคับใจได้แล้วจะเป็นพระอรหันต์เข้าใจผิดแล้วอย่างนั้นเป็นหมูหันนะถูกก็จับพลิกไปพลิกมานะมันคลิกได้พระอรหันต์จริงๆคือคนที่รู้ความจริงของกายของใจอย่างแจ่มแจ้งรู้อย่างแจ่มแจ้งเลยทั้งกายทั้งใจมันไม่เที่ยงทั้งกายทั้งใจนี้เป็นตัวทุกมีความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลาทั้งกายทั้งใจนี้เราบังคับไม่ได้จริงหรอกบังคับไม่ได้จริงหรอก ถ้าฝึกไปเรื่อยๆ เ, เราจะเห็นคอยตามรู้กายคอยตามรู้ใจรู้เรื่อยๆถึงวันหนึ่งก็จะรู้ความจริงของกายของใจว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันบังคับไม่ได้เลยให้หัดรู้สึกไปความรู้สึกใดๆแปลปลอมขึ้นในใจคอยรู้เรื่อยๆ น, นะรู้ไปเรื่อยๆถ้ารู้ไปเรื่อยๆต่อไปก็เห็นความจริงว่าอ้อทุกอย่างชั่วคราวความสุขชั่วคราวความทุกข์ชั่วคราวโลภ โ, โกรธลง ก, ก็ของชั่วคราวอะไรๆก็ชั่วคราวหมดเลย จะเห็นอย่างนี้เห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีนะต้องดูซ้ำๆทำไมดูครั้งเดียวไม่พอเพราะว่าวาสนาบารมียังไม่พอกำลังไม่พอนะถ้าคนซึ่งอินทรีย์เขาแก่กล้าแล้วเขาดูนิดๆหน่อยๆเขาก็หลุดพ้นได้อย่างสมัยพุทธกาลมีบางท่านฟังธรรมะสองสามประโยกก็หลุดพ้นแล้วของเราไปอ่านธรรมะที่ท่านสอนซ้าแล้วซ้าอีกนะ ก็ยังไม่บรรลุแล้วก็ไม่ใช่ว่าในสมัยพุทธกาลทุกคนต้องบรรลุเร็วบางคนก็บรรลุยากลําบากไม่ใช่ว่าทุกคนจะง่ายเหมือนกันหมดคนที่เข้าง่ายเนี่ยเพราะเขาเคยยากมาแล้วเขาลําบากมาแล้วไม่มีของฟรีนะไม่มีของฟลุกนะมีแต่ต้องทําเอาทั้งสิ้นเลยวิธีทําก็คือรู้สึกตัวไว้ศัตรูของความรู้สึกตัวคือใจลอย หลงไปโลกของความ ค, คิดคิดคิดคิดทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นมีแต่เรื่องคิดเวลาที่เราไปคิดเราลืมกายลืมใจเรียกว่าไม่ได้ปฏิบัติวิปัสนาฉะนั้นให้รู้สึกกายให้รู้สึกใจจนเห็นความจริงของกายของใจความจริงเบื้องต้นที่จะเห็นคือเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเรานี่ความจริงอันแรกที่จะเห็นนะเราเห็นเกิดดับเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยนะถึงจุดหนึ่งเราจะรู้เลยไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้เป็นแค่วัตถุธาต ที่จิตใจมาอาศัยอยู่ชั่วคราวร่างกายนี้เป็นวัตถุาธาตุที่มีาธาตุไหลเข้ามีาธาตุไหลออกอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นก้อนาธาตุที่ยืมโลกมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวจิตใจก็มีแต่ความไม่เที่ยงในความจริงของมันจิตใจไม่เที่ยงคือจิตใจเราทํางานทั้งวันทั้งคืนเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่เคยหยุดนิ่งเลยจิตใจแล้วก็จิตใจก็เป็นอนัตตาสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้ สั่งให้ดีก็ไม่ได้นะมันจะชั่วห้ามมันไม่ได้ห้ามห้ามทุกก็ไม่ได้นะสั่งให้สุขก็ไม่ได้ทําอะไรกำมันไม่ได้สักอย่างเนี่ยดูลงไปจนเห็นความจริงแล้วมันบังคับไม่ได้หรอกมันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงร่างกายก็ยืมก็ไม่ใช้ยืมวัตถทธาตุมาใช้ส่วนจิตใจก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงใครเห็นความจริงอย่างนี้เรียกว่าพระโสดาบันะ ตัดจากนั้นให้รู้กายให้รู้ใจต่อไปอีกพระโสดาบันกับพระสกิธาคามีก็ภาวนาอย่างเดียวกันนั่นแหละเฝ้ารู้ลงไปอย่างเดิมรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใ จ, ใจแต่ว่าพอได้โสดาแล้วมันจะเผลอสั้นลงสั้นลงสตรีมจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นครั้งที่สองจิตรวมลงไปตัดคราวนี้ไม่ได้ตัดสั่งยศอะไรเพิ่มแต่เป็นพระสกิทาคามีตัดกิเลสจะอ่อนกําลังลงกิเลสจะอ่อนแรงลง ทำไมกิเลสอ่อนแรงลงเพราะสติเร็วมหาศาลเลยนะสติเหมือนฟ้าแลบเลยแลับเลยนะอะไรแปลกปลอมเข้ามานะสติไวมากเมื่อสติว่องไวเนี่ยกิเลสจะไม่มีแรงหรอกกิเลสมันยังตัวเล็กอยู่ฝึกไปอีกรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจไปนะถึงจุดหนึ่งมันแจ่มแจ้งร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆร่างกายนี้ไม่ใช่ของน่าชื่นชมแต่เดิมเรารักร่างกายมากเลยเราคิดว่าร่างกายนี้เป็นของดีของวิเศษ อาศัยร่างกายเนี่ยเราถึงได้มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายขึ้นมามีตาแล้วเราก็ได้ไปดูของสวยของงามมีหูแล้วเราก็ไปฟังอะไรเพลาะเพลาะฟังอะไรที่ดีๆนะมีจมูกเราก็ไว้ดมกลิ่นหอมๆได้มีลิ้นเราก็ไปกินของอร่อยได้มีร่างกายก็ได้สัมผัสอะไรที่นุ่มนวลสวยงามอะไรต่างๆเนี่ยที่ถูกอกถูกใจเนี่ยเราเห็นว่าเพราะว่ามันมีร่างกายนะเลยสัมผัสโลกที่มีความสุขได้ แต่ผู้มีปัญญาเนี่ยจะเห็นเลยเมื่อมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมันสัมผัสสิ่งที่ดีได้มันก็ยังสัมผัสเกี่ับสิ่งที่เร็วๆได้เห็นของสวยได้มันก็เห็นของน่าเกลียดได้ใช่ไได้กลิ่นหอมได้ก็ได้กลิ่นเหม็นได้มันเลือกไม่ได้เนี่ยไม่ใช่เลือกจะดมแต่ของหอมๆนะกินของอร่อยได้ก็กินของไม่อร่อยได้บางทีก็ไม่อร่อยเหมือนกันสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายแหมบางครั้งก็นุ่มนวลใช่ไหมอ่อนโยนนุ่มนวลแหมสบาย บางครั้งเป็นก้อนอิก้อนหินเป็นมีดเนี่ยมีร่างกายก็สัมผัสสิ่งที่ไม่ดีได้เนี่ยดูไปดูไปนะเอ๊ะตราบใดที่ยังมีตาหูจมูกลิ้นกายมีกายอยู่เนี่ยจะหาแต่ความสุขอันเดียวที่หาไม่ได้นะมีความทุกข์ความทุกข์เยอะเลยยิ่งมีสติมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะอย่างพวกเราสติน้อยปัญญาน้อยสมาธิน้อยเราก็จะเห็นว่าร่างกายนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้าง แต่ถ้าภาวนาไปมากเข้ามากข้าเราจะเห็นแต่ร่างกายนี้เป็นทุกข์ทุกข์ล้วนๆนะมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยทุกข์มากกว่าทุกข์น้อยนั่งอยู่ก็ทุกข์นะเดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์มีใครนอนแล้วไม่ทุกข์ไหมถ้านอนแล้วไม่ทุกข์ก็ต้องห้ามกระดุกกระดิกนะนอนนิ่งๆอย่างคนเป็นอัมพาตใช่ไหมนอนถามว่ามีความสุขไหมได้นอนนานๆนะไม่มีความสุข คนที่นอนนานๆแล้วมีความสุขมีอยู่คนเดียวคือกุมพกันกลุมพกันนอนครั้งละเจ็ดปีเพราะมันเป็นนิยายเลยเป็นะนคนทั่วๆไปต้องนอนนานๆมีความทุกข์นะร่างกายมันจะทุกข์เนี่ยทําอะไรอะไรก็ทุกข์หมดเลยนะเราต้องคอยบาบัดทุกข์ตลอดเวลาหิวขึ้นมาก็ต้องไปหาของกินร้อนขึ้นมาต้องไปอาบน้ํานั่งนานๆเมื่อยก็ต้องขยับตัวเปลี่ยนอิริยาบถนอนก็ต้องนอนพลิกซ้ายนอนพลิกขวา ความทุกข์มันตามบีบคั้นอยู่กระทั่งหายใจนะถ้าสติไวๆเนะจะเห็นเลยเราหายใจก็เพื่อแก้ทุกข์หายใจออกอย่างเดียวก็ทุกข์หายใจเข้าอย่างเดียวก็ทุกข์นะเราต้องแก้ทุกข์ด้วยการหายใจอย่างน้นบ้างหายใจอย่างนี้บ้างรั้นใจไว้เฉยๆก็ทุกขนะ์ไม่หายใจเลยก็ทุกข์นี่ความทุกข์บีบคั้นตลอดนะคอยรู้อยู่ในกายนี่ยเราจะเห็นเลยกลายนี้มีแต่ความทุกข์ล้วนๆเลยนะถ้าเห็นอย่างนี้ความรักในกายนี้จะหายไปจะรักทําไมมันเป็นก้อนทุกข์นะ ทุกวันนี้ที่รักกายเพราะว่าเห็นว่ามันยังทุกข์บ้างสุขบ้างยังมีทางเลือกถ้าสติปัญญาแก่รอบนี้กายนี้ทุกข์ล้วนๆไม่มีทางเลือกเลยเห็นอย่างนี้จิตจะปล่อยวางความยึดถือกายได้ภูมิจิตของคนที่ปล่อยวางความยึดถือกายได้คือภูมิจิตของพระอนาคามีถ้ายัางไม่ใช่พระอนาคายังปล่อยไม่ได้จริงหรอกเพราะพระอนาคามีไม่ยึดกายก็ไม่ยึดตาหูจมูกลิ้นกายก็เลยไม่ยึดในรูปเสียงกลิ่นรสและผดทพะหรือสิ่งที่มากระทบกาย งั้นสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายถึงจะเป็นของดีนะก็ไม่หลงยินดีแล้วนะเพราะร่างกายมันเป็นของไม่ดีอย่างสมมุติว่าแต่เดิมแหมเรามีอะไรมาสัมผัสรูปไร้ร่างกายเราเราชอบนะถ้าเกิดร่างกายเราเป็นแผลหนังถลอกเนี่ยนะให้สาวๆ ส, สวยๆมาลูบให้เอาไหมก็ไม่เอาใช่ไหมเนี่ยผานาคามีจะรู้สึกในกายนี้มันเป็นก้อนทุกขนะ์ของที่มาสัมผัสจะดีจะวิเศษแค่ไหนก็ไม่น่าพิโรมอีกต่อไปแล้ว ใจก็จะไม่มีกามและปฏิฆะขึ้นมาสักแต่ว่ากระทบไปอย่างนั้นแหละนการภาวนาก็ยังไม่สุดนะตรงนี้จิตใจนี้จะตั้งมั่นเด่นดวงอยู่ทั้งวันทั้งคืนโดยไม่ต้องรักษาละเพราะจิตจะไม่หลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายจิตจะอยู่กับใจตั้งมั่นเด่นดวงมีความสุขอยู่อย่างนั้นแหละต่อไปสติปัญญาแก่รอบขึ้นมามันเห็นอีกจิตนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆทุกวันนี้เราก็เห็นว่าจิตเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างนี่เรียกว่าเรายังไม่มีสติปัญญาจริง นะถ้าเราเห็นว่าจิตนี้เป็นทุกล้วนๆเมื่อไหร่นะวันนั้นแหละจะเป็นพระอราหันตะ์นะงั้นเฝ้ารู้ลงไปนะรู้ลงไปจนกระทั่งไม่ยึดอะไรสัอย่างนะสิ่งสุดท้ายที่เราจะยึดไว้ก็คือจิตนั่นเองสิ่งสุดท้ายที่จะละความเห็นผิดได้ว่าไม่ใช่เรานะก็คือจิตนะสิ่งสุดท้ายที่จะหมดความยึดถือได้ก็คือจิตเพราะฉะนั้นจิตนี่ดูยากที่สุดนะระดีที่สุด ถ้าดูเข้ามาได้ก็ดูเข้ามาเลยถ้ายังดูไม่ได้ก็ไปดูร่างกายก่อนร่างกายเป็นบ้านของจิตเรายัางหาเจ้าของบ้านไม่ได้เราก็ไปเฝ้าหน้าบ้านไปรู้ที่กายไว้ก่อนรู้กายไปเรื่อยๆพอเข้าใจแจ้งนะมันจะเข้าใจเจ้าของบ้านคือเข้าใจจิตด้วยจนวันหนึ่งเข้าใจจิตแจ่มแจ้งเหมือนที่หลวงปู่ดูลสอนนะจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมักคําว่ามักของท่านนี้ท่านพูดแบบออมๆนะพูดแบบไม่ให้หน่าเกลียดเกินไป ถ้าจะพูดให้ตรงๆ ต, ตามความหมายของท่านก็คือจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตมรักไม่ใช่มรักเบื้องต้นหรอกมรักเบื้องต้นรู้กายรู้อะไรอย่างนี้แหละรู้จนกระทั่งเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นเราสักอันเดียวแต่พอถึงขั้นข้าห น, น, น, นักคาขาั้นจะเดินต่อไปนี่มันจะรวมเข้ามาที่จิตอันเดียวนี้แหล ะ, <น>ะละหมดความยึดถือจิตก็จะไม่ยึดถืออะไรในโลกอีกจิตจะกว้างขวางไร้ขอบไรเขตไรจุดไร้ดวงไร้ที่ตั้งนะมีแต่ความสุขล้วนๆเลยนะ ไม่มีความเสื่อมไปมีความสุขล้วนๆแต่จิตก็มีสองอย่างนะจิตที่มีสมนัตมีความสุขชวยแผวขึ้นมามีความสุขแต่จิตที่เป็นอุเบกขาเป็นกลางแต่กลางแบบมีความสุขกลางแบบนุ่มนวลงั้นเราฝึกนะเราฝึกศาสนาพุทธไม่ใช่นิยายหลอกเด็กคนไหนทําคนนั้นได้คนที่เรียนกับหลวงพ่อจํานวนมากเลยมาสารภาพเลยมีความสุขบางคนมาต่อว่านะว่า ทำไมไม่เห็นท่านสอนเรื่องทุกข์เลยท่านต้องสอนเรื่องทุกข์สิศา ส, สนาพุทธเริ่มจากทุกข์ท่านสอนที่ไรพูดแต่เริ่มมีความสุ ข, ขก็ช่วยไม่ได้ก็คนมันมีความสุ ข, ขอะนะถ้ามันมีสติมีสัมมาส ม, มาธิมีปัญญามันก็มีความสุ ข, ข, ขสนะิแล้วถามว่าหลวงพ่อไม่ได้สอนเรื่องทุกข์หรือเปล่าไม่ใช่คำว่าทุกข์ในศาสนาพุทธไม่ได้แปลว่าความทุกข์นะ คำว่าทุกข์ในอริยสัจคืออะไรคือกายกระใจนะคือความทุกข์ทุกข์นี่มีนิยามเฉพาะของมันนะไม่ใช่ความทุกข์อย่างภาษาไทยทุกข์ในอริยสัจคือกายกระใจนะท่านถึงบอกว่าสังขิตเตนะปันจุ ป, ปาทานักขันธาทุกขาโดยสรุปสังขิตหรือสังเขปโดยสรุปนะโดยสรุปแล้วขันนั้นเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นนี้เป็นตัวทุกข์หน้าที่ของเราต่อทุกข์คือการรู้ ขันคือกายกับใจแล้วทําไมต้องมีคําว่าที่เป็นที่ตั้งของความยึดมั่นด้วยเพราะขันก็มีสองอันนะขันที่เป็นอุปาทานขันกับขันที่ไม่ใช่อุปาทานขันเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ขันที่เป็นอุปาทานขันขันที่เราไปยึดว่าเป็นตัวเราอ่ะนะอันไหนที่รู้สึกว่าเป็นเราก็รู้มันไปตรงนั้นแหละความรู้สึกเป็นเราเกิดตรงไหนก็รู้ลงไปเรื่อยๆรืรู้ลงมันรู้สึกว่าร่างกายเป็นตัวเราก็รู้กายมันรู้สึกว่าจิตใจเป็นเราก็รู้ลงไปที่จิตรู้ลงไปซื่อๆนั่นแหละนะ รู้ลงในกายรู้ลงในใจถึงจุดหนึ่งก็มีปัญญาเห็นว่าไม่ใช่เรานี่ขันอะไรที่ไม่ใช่ทุกมีนะขันบางส่วนที่ยกเว้นถือว่าไม่ใช่กล่องทุกเช่นจิตของพระอรหันต์เช่นะพวกมหากริยาจิตไม่ต้องดนะูไม่ต้องเอามหากริยาจิตมาทำวิปัสสนานะเพราะว่าไม่มนะีพวกเราไม่มีจิตชนิดนี้นะเรามีจิตแต่ที่เป็นกุศลที่เป็นอกุศลที่เป็นวิบากนะเป็นกลางๆง เราไม่มีกริยาจิตเพดัะนั้นขันบางส่วนเนี่ยพ้นไปจากการทํามิปัสส น, นะแต่ว่าขันบางส่วนที่เรายัางยึดว่าเป็นเรานะร่างกายนี้ความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยเฉยนีนะ้จิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นหนักกุศลนี้พวกเนี้ให้คอยรู้พวกนี้ดัะนั้นะนะจิตเป็นกุศลก็รู้จิตเป็นหกกุศลก็รู้นะรู้เรื่อยๆรู้ลงไปไม่ยากหรอกนะนี่ให้เราคอยรู้ลงไป พอเรามีสติขึ้นมานะก็เกิดศีลอัตโนมัติมีสติขึ้นมาสัมมาสมาธิก็เกิดขึ้นมามีสติแล้วก็มีสัมมาสมาธิช่วยกันก็จะเกิดปัญญาเห็นความจริงของกายของใจค่อยๆฟังนะหลวงพ่อมีซีดีแจกให้มีหนังสือค่อยๆเรียนค่อยๆฟังถ้าไม่ดื้อ น, นะใช้เวลาไม่นานแล้วคนไหนถ้าไม่เคยฝึกกรรมฐานแบบเพ่งๆมาก่อนเนี่ยก็ใช้เวลาไม่นาน ถ้าฝึกเพ่งมาก่อนก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งในการแก้ของเก่าทิ้งซะก่อนจิตที่เผลอไปใช้ไม่ได้จิตที่เพ่งไว้ก็ใช้ไม่ได้ผู้ปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยคือนักเพ่งรู้ลมหายใจก็เพ่งลมรู้มือเพ่งมือรู้ท้องก็ไปเพ่งท้องนะเช่นเพ่งท้องของยุบรู้เท้าก็ไปเพ่งเท้ารู้อิริยาบถสี่เพ่งร่างกายทั้งร่างกายรู้เวทนาก็ไปเพ่งใส่เวทนา จะไปรู้จิตก็ไปเพ่งจ้องใส่จิตไปดับไว้ก่อนหลายคนไปดูจิตด้วยวิธีที่ผิดนะดูจิตด้วยการไปดับจ้องไว้ก่อนนี่ใช้ไม่ได้ต้องตามรู้นะต้องตามรู้คําว่าตามรู้จิตเรียกว่าจิตตานุปัสสนาตามเห็นจิตเนืองเนืองนะตามเห็นไปหมายถึงว่าอะไรเกิดขึ้นมาแล้วค่อยรู้อย่าไปดับดูอย่าไปจ้องไว้ก่อนนะถ้าฝึกอย่างนี้ไม่นานก็เข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกนะพวกเราต้องช่วยกันนะช่วยกัน ฟังธรรมะแล้วก็ค่อยๆสังเกตลงในกายในใจตัวเองช่วยตัวเองก่อนนะต่อไปก็จะได้ช่วยผลรอบๆตัวเราในภาพรวมก็จะช่วยสังคมให้มันร่มเย็นอย่างน้อยสังคมนี้ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟยังมีจุดที่เย็นๆเหลืออยู่สักจุดสองจุดเล็กๆก็ยังดีนะอยู่ในบ้านเราอะนะนะค่อยฝึกไปชาวพุทธทุกวันนี้ร่อยหลอสุดฉีดแล้วนะ ศา ส, สนาพุทธตกอยู่ในอันตรายที่น่ากลัวที่สุดแล้วศานะ ส, สนาพุทธแท้ๆที่สืบทอดจากคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเทราวาสเหลือนิดเดียวแล้วเหลืออยู่ไม่กี่ประเทศเหลือในเมืองไทยในลังกาในพมา่าอะไรเงี้ยนะในเมืองไทยจริงๆศาสนาพุทธแทบจะเรียกว่าศูนย์ไปแล้วหรือเกือบๆจะศูนย์ไปแล้วนะเราอย่าภูมิใจว่ามีชาวพุทธเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นเะก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นะนั้นเป็นคนไม่มีศาสนาท่างหากนะ อะไรก็ได้ขอให้รวยก็แล้วกันใช่ไหมพร้อมจะนับถืออะไรก็ได้เอาอะไรมาห้อยก็ได้นะไหว้มันหมดแหละหมูหมากาไ ก, ก่วัวสามขาก็ไหว้ใช่ไหมออะไรๆเกิดขึ้นมาเราก็นับถือหมดเทวดงเทวดานะมนุษย์สร้างเทวดาแล้วมนุษย์ก็กลัวเทวดาแล้วมนุษย์ก็ไปไหว้เทวดานะนะเราขายพระพุทธเจ้าได้นะขอให้รวยก็แล้วกันเนะี่ย เพรจริงๆเราไม่ใช่ชาวพุทธคนส่วนมากไม่ใช่ชาวพุทธพวกเรานี่ชาวพุทธนะเขาพวกเราศึกษาธรรมะแล้วคนไหนไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่ใช่ชาวพุทธหรอกเป็นแต่พุทธแต่ชื่อเป็นพุทธในทะเบียนบ้านหรือในบัตรประชาชนไม่ใช่พุทธตัวจริงพุทธตัวจริงมีนับตัวได้เลยนับจํานวนได้เลยมีไม่เท่าไหร่หรอกะหลวงพ่อ ก, กะว่าคงมีระดับหลักหมื่นเท่านั้นมัน้งคือพุทธที่ต้องศึกษาธรรมะนะ จะเป็นพุทเฉยๆพุดตามบรนพัพบุรุษอะไรเงี้ยมันไม่ใช่หรอกทุกวันนี้สติปัญญาของคนตกต่ําลงเรื่อยๆอย่างในสมัยโบราณคนนับถือเทวดานับถือเทพใช่ไหมพอเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาคนไม่ได้นับถือเทวดาคนนับถือธรรมะธรรมะคืออะไรธรรมะคือความจริงคนยอมรับความจริงดํารงชีวิตสอดคล้องกับความเป็นจริงแล้วก็ไม่ทุกข์ไม่ใช่ให้คนอื่นช่วย คนเรารู้เลยว่าเราช่วยตัวเองได้เราต้องพึ่งตัวเองเราทําอะไรเราก็ต้องได้รับผลอย่างนั้นเนี่ยมนุษย์พอเปลี่ยนจากเชื่อเทวดาเชื่อเทพเจ้ามาเชื่อในธรรมะมนุษย์ก็จะไม่เชื่อเรื่องปลมลิจิตหรือใครมาบงการเราจะเชื่อกรรมกรรมคือการกระทําของเราเองกําหนดชีวิตของเราเองเนี่ยถ้าเราทํากรรมฐานนะรู้สึกกายรู้สึกใจเราจะรู้เลยชีวิตเราเปลี่ยนจริงๆนะมันเปลี่ยนจริงๆเราทำกรรมชั่วเราก็เดือดร้อนจริงๆ งั้มนุษย์มีที่พัฒนาแล้วนะพัฒนาทางสติปัญญาแล้วก็ไม่เชื่อเรื่องอำนาจขายนอกเลยแต่ยอมรับเรื่องกรรมและผลของกรรมซึ่งเราทําเองนะแล้วมนุษย์ถ้าจะอยากให้มีสติปัญญามากขึ้นก็ต้องศึกษาธรรมะเรียกว่าไตรศิกขาศึกษาเรื่องศีลศึกษาเรื่องจิตศึกษาเรื่องการเจริญปัญญาเมื่อศึกษาแจ่มแจ้งแล้วจิตใจก็ไม่ยึดถืออะไรจิตใจดํารงชีวิตสอดคล้องอยู่กับธรมมรมะล้วนๆเลยคราวนี้ จิตกับธรรมะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่แยกจากกันเนี่ยมีความสุขล้วนๆนี่เป็นพัฒนาการที่สูงที่สุดแล้วที่มนุษย์เคยมีมาแต่พวกเราเคยมีสิ่งเหล่านี้เรากําลังสูญเสียไปอย่างเราเคยมีพระพุทธเจ้าตามมาแเราก็ลดลงมาเหลือพระพุทธรูปนี่ท่านท่านพุทธทาสท่านเคยพูดไว้นานแล้วแล้วท่านถ่ายไว้ด้วยต่อไปไม่ใช่พระพุทธรูปต่อไปจะไปนับถือรูปจเจว็ตต่างๆนะซึ่งไม่ใช่อะไรศา ส, สนาพุทธเลย ในสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาแล้วทั้งสิ้นนะแล้วก็จะเกิดต่อไปอีกหน้าที่ของเราทุกคนทุกคนมีความสำคัญนะต่อสำคัญต่อตัวเองสำคัญต่อครอบครัวสำคัญต่อสังคมที่แวดล้อมอยู่และสำคัญที่จะสืบทอดศาสนาต่อไปอีกนะให้คนรุ่นลูกรุ่ น, น, นหลานได้มีโอกาสฟังธรรมะเหมือนที่พวกเรามีโอกาสเะั้นเราต้องรักษาธรรมะวิธีรักษาธรรมะที่ดีที่สุดคือการศึกษาธรรมะจนธรรมะเข้าไปสู่ใจของเรา ธรรมะที่ต้องศึกษาให้รู้เรื่องคือเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานเรื่องสมถกรรมฐานเป็นของง่ายถึงไม่มีพระพุทธเจ้าก็มีสมถกรรมฐานนั้นต้องฟังเรื่องวิปัสสนาก็คือการที่เรามีสติรู้รู้ตัวขึ้นมาแล้วคอยรู้กายอย่างที่มันเป็นรู้จิตใจยอย่างที่มันเป็นรู้มากเข้ามากเข้านะจนเห็นผลของการปฏิบัติเมื่อเราเห็นผลแล้วเนี่ยเราจะเชื่อมั่นศรัทธาในศาสนาพุทธอย่างแน่นแฟนเชื่อในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างแน่นแฟน เพราะคนที่จะเชื่ออย่างแน่นแฟ้คือคนที่เห็นผลของการปฏิบัติแล้วคือพระโสดาบันขึ้นไปนะเฉะนั้นพวกเราอย่าประมาทนะศรัทธาของพวกเราส่วนใหญ่ซึ่งเป็นปุถุชนเนี่ยเป็นศรัทธาที่ยังกลับกรอกได้นะตอนนี้นับถือพูดนะอีกหน่อยอาจจะไม่นับถือก็ยังได้นะเพราะั้นต้องภาคเทียนศึกษาลงมาในกายในใจเนี่ยถ้าศึกษาจนเริ่มเห็นผลแล้วนะให้เอาไปตัดคอซะก็บอกให้บอกว่าพระพุทธเจ้าโกหกเนี่ยยังไงก็ไม่ยอมนะ เพราะว่ารู้แล้วว่าเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้โกหกธรรมะที่ท่านสอนเป็นของจริงล้วนๆปฏิบัติแล้วพ้นทุกข์จริงๆเห็นได้ด้วยตัวเองจริงๆงั้นพวกเราพักเพียนไปนะคนไหนฟังหลวงพ่อทีเดียวไม่รู้เรื่องเอาซีดีไปฟังนะคงมีแจกให้มั้ยมีไหมวันนี้เอาไปฟังนะฟังแล้วฟังอีกหลายคนไม่เคยเจอหลวงพ่อเลยพวกเราเพียงได้เจอกันมีบุญร่วมกันได้เจอกันบางคนไม่เจอฟังซีดีลูกเดียว เคยมีบางค น, นไม่มีซีดีสมัยแรกๆหลวงพ่อไม่ได้ทำซีดีมีเขาเอาเทปมาอานของเขาเองมีเทปอยู่ม้วนเดียวฟังจนเทปยืดนะเทปยืดในพร้อมๆกับใจที่ตื่นขึ้นมาแนะม้คุ้มนะเสียเทปไปม้วนหนึ่งใจตื่นขึ้นมางนั้นฟังแล้วฟังอีกนะถ้าฟังแล้วจะไปแจกคนอื่นก็ไปก๊อปปี้แจกนะของเราเก็บไว้ฟังก่อนงกไว้ก่อนนะเอาตัวรอดก่อนฟังไปเรื่อยๆจนสติเกิด ถ้าสติเกิดแล้วถึงจะรู้ว่าศาสนาพูธไม่ใช่นิยายหลอกเด็กนะมันพ้นทุกข์ได้จริงๆพ้นทุกข์ต่อหน้าต่าจริงๆแล้วเป็นธรรมะที่ไม่เนิ่นช้าให้ผลรวดเร็วมากเลยไม่ใช่ว่าทําไปเธอยี่ปี30ปีทําไปเธอเดี๋ยววันหนึ่งคงจะดีเองทําไปหลายๆปีก็มีแต่ความทุกข์บางคนทําไปนะจิตวูๆบๆว่าบาบอกเป็นพระอราหันต์นะหันไปหันมาตกกับสามีอีกแล้วนะนะบอกทําไมต้องไปตกกับเขาได้นี่ตกเป็นกิริยา นะตบเป็นกริยานะมันเอากันจริงๆนะตบมันล่กิเลสไม่ได้ไม่ใช่ของจริงนะของจริงนะฝึกลงไปต้องล่ากิเลสได้จริงๆมีความสุขขึ้นมาได้จริงๆค่อยๆฝึกไปนะะวันนี้เขาไม่ตั้งนาฬิกาให้ดูนาฬิกาเสียนะอ๋อเร็วมหมดเวลายัางรู้สึกไหมจิตใจมีความสุข คนส่วนใหญ่จิตใจมีความสุขนะรู้สึกไหมตอนนี้ส่วนใหญ่จิตนิ่งๆนะจิตเริ่มนิ่งลงนะให้คอยรู้สึกหมดเวลาเทศเพียงนะบางคนก็อยากฟังอย่างเดียวนะบางคนอยากถามอยากถามเนี่ยหลวงพ่อไม่สามารถตอบทุกคนได้นะแต่ว่าถ้าเข้าใจ ช่างสังเกตซักนิดหนึ่งจะรู้ว่าคําตอบของหลวงพ่อนะไม่ว่าใครถามก็ตอบเหมือนกันแหละเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดความสงสัยขึ้นมานะเราเข้าใจหลักที่หลวงพ่อบอกเนะี่ยมันตอบคําถามของเราได้เองใครมาถามเรื่องอะไรสังเกตให้ดีเดี๋ยวก็ใครสังเกตเอานะลงท้ายก็คือให้รู้เอาให้รู้เอาเนี่ยดิชันภาวนาแล้วจิตมันว่างไปหมดเลยแล้วจะทํำยังไงอา่าว่างแล้วก็รู้ว่าว่างสินะ ว่างแล้วต่อไปมันก็ไม่ว่างมันก็ไม่เชี่ยงเนภาวนาแล้วเป็นอย่างโน้นภาวนาแล้วเป็นอย่างนี้เดี๋ยวค่อยฟังคำตอบนะคำตอบเหมือนๆกันหมดเลยเพราะฉะนั้น <c oughs> ถ้าคนไหนคิดจะถามแล้วก็ดูอาเองก็ไม่ต้องถามนะไม่ต้องถามเหมือนหลวงพ่อสมัยก่อนไปหาครูบาอาจารย์ <c oughs> ครูบาอาจารย์แต่ก่อนเราเข้าไปหาง่ายเพราะว่าคนที่สนใจปฏิบัติมีไม่มากหรอก มีไม่มากแล้วครูบาอาจารย์มีมากเฉลี่ยกันไปเดนะี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์มีน้อยหมคนก็ไปชุมนุมล้อไมไว้ไม่สามารถสอนทีละคนได้สมัยก่อนไปหาครูบาอาจารย์บางครั้งสงสัยภาวนาไปแล้วเกิดความสงสัยเนยขยับจะถามขยับจะถามนะเอาไว้ดูก่อนนะเคยมีคราวหนึ่งภาวนานะมันมีจิตผู้รู้กับมีสิ่งที่ถูกรู้ เราจะดูตัวไหนว่ะมันมีสองตัวเราจะดูผู้รู้หรือเราจะดูสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้นี่นะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมีแต่ความทุกข์ล้วนๆเลยตัวผู้รู้มีแต่ความสุขเนี่หลวงปู่ดูลเควยสานเราบอกให้ดูจิตมันก็น่าจะดูผู้รู้สิใช่ไมพราพุทธเจ้า บ, บอกว่าให้รู้ทุกข์มันก็น่าจะดูไอ้ตัวที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเราจะเชื่อใครดีเนี่ย ขยับนะเอ๊ะทำไมครูบาอาจารย์สอนไม่เหมือนพระพุทธเจ้าถ้าจะยังไงลนะ่ะลังเลเหมือนกันนะอสงสัยเวลาเจอท่านนะขยับจะถามเดี๋ยวเอาไปดูอีกหน่อยอีกหน่อยอีกหน่อ ย, อ ห, นอยอหน่อยนะจนท่านวรณภาพเป็นแถวแถวไปหมดแล้วนะสุดท้ายเอ้าจะถามใครละ่ะต่อไปนี้ะไม่มีใครให้ถามแล้วว่าจะดูตัวผู้รู้หรือจะดูสิ่งที่ถูกหลูไม่มีใครให้ถามเหรอภาวนาเอา ดูของเราไปเรื่อยดูไปใจสงสัยรู้ว่าสงสัยไหมมันน่าสงสัยไหมสงสัยรู้ว่าสงสัยสงสัยรู้ว่าสงสัยดูไปจนวันหนึ่งเข้าใจจบแค่นี้ใช่ไหมหรือจะต้องเฉลยถ้าเฉลยจะไม่ได้เอาไปดูเองอยากไปดูป่ะแท้จริงแล้วเราไม่ได้ภาวนาเพื่อจะเอาอะไรสักตัวเดียวนะตัวจิตผู้รู้เองก็ยังเป็นตัวทุกข์นั่นแหละ ไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษเราสําคัญผิดต่างหากว่าเป็นตัวตัวตัวสุขจิตผู้หลงเป็นตัวทุกเนี่ยเราสําคัญผิดเองนะแท้จริงทั้งหมดนั่นแหละทั้งตัวข้างบนตัวข้างล่างนะก็ตัวทุกล้วนๆด้วยกันนั่นเองแล้วเราจะรู้ตัวไหนสติระลึกรู้ตัวไหนก็รู้ตัวนั้นแหละเพราะสติเป็นอนัตตาเลือกไม่ได้ถ้าเลือกเมื่อไหร่จงใจดูข้างล่างจงใจดูข้างบนมันคือการเพ่งมันคือสมถะนะ เนี่ยกว่าจะเข้าใจแต่ละอันแต่ละอันนบางครั้งใช้เวลาเป็นปีๆเลยกว่าจะเข้าใจที่เข้าใจยากที่สุดเลยคือคําสอนครั้งสุดท้ายที่หลวงปู่ดุลสอนหลวงพ่อสามสิบหกวันก่อนท่านมรณภาพท่านบอกว่าจําไว้นะพบผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้พบจิตให้ทําลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเนี่ยคาถามอันนี้นะปัญหานี้นะโอใช้เวลาตั้งยี่สิบกว่าปีใช้เวลานาน มัวไปยุ่งกับโลกว้างอะไรบ้างนะมุช่วงก็มัวสัว่วอยู่กับโลกไม่ค่อยได้ภาวนามากนะักแค่ภาวนาเล็กๆน้อยๆประจำวันเป็นข้อวัดปฏิบัติไปแต่ไม่ได้ภาวนาจริงจนะังแล้วตอบปัญหาข้อนี้ไม่ได้นะงั้นนึกถึงพวกเซนพวกเซนบางทีเขาตั้งเขาเรียกอะไรนะอูอารใช่ไหมตั้งคำถามหรือตั้งปริศนารมขึ้นมา ให้ลูกศิษย์ไปพิจารณาที่นานหลายๆปีปิ้งขึ้นมาเข้าใจธรรมะอย่างบางคนสอนบอกว่าให้ไปดูซิว่าเสียงอะไรดังที่สุดในโลกลูกศิษย์ก็เที่ยวไปฟังเสียงโน้นเสียงนี้นะถ้ามายุคนี้ก็ต้องเสียงเครื่องบินที่สุวรรณภูมิดังที่สุดในโลกอะไรเงี้ยนะสมัยโน้นไม่มีเรือบินก็บอกเสียงในตลาดดังเนี่ยไปตอบคําถามอาจารย์อาจารย์บอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ ช, ใช่วันหนึ่งก็ปิ้งขึ้นมาเสียงของความเงียบเนี่ย สิ่งใดเกิดขึ้นนะลว้วนแต่ดับทั้งสิ้นนะเขาเห็นตรงนี้นะแต่ก่อนเราฟังคําเฉลยว่าเสียงของมือข้างเดียวดังที่สุดฟังแล้วแหมปิ้งแหมฉลาดนึกว่าตัวเองฉลาดแต่ไม่เข้าใจเรากาคืออะไรในความเป็นจริงก็คือสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดานะเสียงที่ดังที่สุดก็คือเสียงของความไม่มีอะไรเสียงของความเงียบนะเพราะว่าเสียงของความเงียบชนะเสียงทุกเสียงเลยเสียงทุกเสียงเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลย นั้นความว่างเปล่าเลยชนะความสมบูรณ์นะนี่คล้ายๆเต่านะในคำภี์เต่าเตกเกงก็สอนไว้วความว่างเปล่าชนะความสมบูรณ์แต่ว่าว่างอย่างนั้นยังเป็นว่างที่เป็นคู่คู่นะว่างของพูดมีอีกระดับหนึ่งเรียกว่าสุญญตามหาสุญญตาคือนิพพานนั่นเองว่างไปอีกแบบไม่ใช่ว่างที่คู่กับวุ่นวุ่นนะว่างที่ยังมีคู่อยู่ไม่ใช่ของจริงอย่างของสัมผัสเหมือนกันชั่วคราว อ่ะใครจะถามอะไรเชิญเชิญอย่ายากนักนะเดี๋ยวตอบไม่ได้ ก, นะาการหลวงพ่อค่ะคือภาวนานะคะถ้ามีสตินะคะสังขารคงขึ้นมาความรู้ทำงานรู้ทันช่วงขนาดมันจะขาดไปเลยค่ะจะเหลือสภาวะอันหนึ่งที่มันไม่ใช่อันอื่นและทีนี้มันมันก็อยู่ตรงนี้ไม่ได้นานมันอยู่ไม่ได้และที เพราะว่ากิเลสมันผลักดันออกมานะคะแล้วเราเจะทํำยังไงแล้วบางทีก็ดูตามเป็นความเป็นจริงถ้ามีสติก็ดูอะไรที่เกิดขึ้นมาขนาดนั้นนะคะพ่ออันนี้อันนี้ยกตัวอย่างนะคะคือเห็นพระผ่านเห็นพระผ่านความรู้ความรู้มันก็ทํางานตามที่มันหมายขึ้นมาว่าพระผ่านไปคือคือมันหลงที่มันหมายขึ้นมานะคะว่าเป็นพระ แล้วลทัทธิหลงอีกชั้นนึงคือความรู้ก็หลงเชื่อตามตามสมมุติที่มันหมายขึ้นมานะคะหลงสองชั้นลแล้วเมื่อก่อนมันไม่รู้อย่างนี้ขณะนี้มันมีความรู้มันมันคือก็เลยหันเข้ามาดูคของความรู้นี้นะคะให้รู้ไปอย่างสบายๆนะที่รู้อยู่ยังไม่ค่อยสบาย <c oughs> อย่างจงใจแก <c oughs> จงใจรู้ให้มันรู้ขึ้นมาเองค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลาอย่างเราเห็นพระเดินมาเนี่ย แล้วมันผุดขึ้นมารู้สึกนี่คือพระนี่คือการหมายรู้ <S <s> สัญญาน ะ, ะสัญญาเนี่ยเว้นไมก่กอดให้ดูสังขารดีกว่าหรือดูเวทนาดีกว่าเช่นเห็นพระเดินมาเนี่ยใจก็นึกเอ๊สงสัยพระปลอมเดินไม่เรียบร้อยเนี่ยใจรู้สึกรังเกียจให้รู้ว่ารังเกียจห ร, รือองค์นี้เดินเรียบร้อยหน้าเลื่อมใสใจรู้สึกเลื่อมใสรู้ว่าเลื่อมใสถ้าเห็นพระเดินมารู้ว่าเป็นพระเดินมาเนี่ยคนที่ไม่ภาวนาเขาก็รู้เหมือนกัน ดังนั้นเป็นรู้ระดับสัญญาเนั้นให้รู้ลงไปลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งรู้ปฏิกิริยาของจิตที่เกิดขึ้นเช่น<ช>เห็นพระเดินมาจิตเกิดความเลื่อมใสรู้ว่าเลื่อมใสเห็นพระเดินมาจิตเกิดสงสัยว่าพระจริงหรือพระปลอมรู้ว่าสงสัยให้รู้ลงไปตรงนี้นะเหมือนหลวงพ่อมีญาติคนหนึ่งมาไมมคงไม่มานะอยู่ไกลไปภาวนาที่วัดเสร็จแล้ววันหนึ่งก็บอกหลวงพ่อบอก นี่ท่านท่านอาเยรู้แล้วว่าภาวนานี่ทํายังไงถ้าเราเห็นพัดลมรู้ว่าเป็นพัดลมนี่แหละเรียกว่าภาวนา <c oughs> ไม่ใช่นะ <c oughs> เห็นพัดลมรู้ว่าเป็นพัดลมคนไม่ภาวนาเขาก็รู้ใช่ไหมนั้นรู้โดยสมมติโดยปัญญัติดอาศัยความจําแต่ถ้าเห็นพัดลมแล้วอยากขีู้วกลับบ้านรู้ว่าอยากขีู้วกลับบ้านนี่ถึงจะภาวนาเห็นพัดลมแล้วรู้สึกตีฉินนินทาโอ้ยกระจกที่บ้านฉันดีกว่านี้อีกเนี่ยรู้สึกดูถูกเหยียดหยาม รู้ว่าดูถูกเนี่ยอย่างนี้ใช้ได้นะให้ดูความรู้สึกนะไม่ใช่ดูเนื้อหาเรื่องราวเนื้อหาเรื่องราวจะเป็นสมมติบัญญัติตค่ะแต่ว่าการที่คุณเห็นตามมองเห็นปุ๊บใจมันแปลขึ้นมาเห็นกระบวนการทำงานของใจอย่างนี้ใช้ได้ค่ะแล้วก็มันจะเกิดรู้ตัวขึ้นแวบหนึ่งว่างๆไม่มีอะไรสภาวะที่รู้ตัวแวบเดียวก็จะดับไปอีกค่ะแล้วก็จะเห็นเลยทั้งรู้ตัวเกิดแล้วก็ดับ ทั้งเผลอไปเกิดแล้วก็ดับทั้งคู่นี้เสมอภาคกันไม่ใช่ฝึกเพื่อจะเอาความรู้สึกตัวจำไว้นะที่พวกเราหัดรู้สึกตัวไม่ใช่เพื่อจะรู้สึกตัวแต่เรารู้สึกตัวเพื่อจะตัดชีวิตเราให้ขาดเป็นท่อนๆนนชีวิตของคนทั้งโลกนี้เผลอทั้งวันเผลอตั้งแต่เกิดจนตายเลยเผลอไปเรื่อยๆชีวิตมีอันเดียวคือเผลอแต่พอเรารู้สึกตัวเป็นเเราจะเห็นเมื่อกี้เผลอตอนนี้รู้สึกรู้สึกได้แวบเดียวเดี๋ยวก็เผลออีกแล้วก็จะรู้สึกขึ้นมาอีก พ่อเมื่อกี้เผลออีกแล้วตอนนี้รู้สึกอีกแล้วการที่เราเห็นสภาวะขาดเป็นช่วงช่วงช่วงเนี่ยเรียกว่าเราเห็นลักษณะเฉพาะเห็นตัวสภาวะแต่ละตัวเนี่ยแต่ละตัวความเผลอเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปความรู้สึกตัวเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปไเห็นซ้ําแล้วซ้ำอีกนะไม่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นมาล้วนแต่หายไปทั้งสิ้นถึงจุดหนึ่งปัญญาเกิดความรู้รวบยอดว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดา เพราะฉะนั้นไม่ได้ภาวนาเอาความรู้สึกตัวแต่อาศัยความรู้สึกตัวเพื่อจะรู้ว่าเมื่อกี้เผลอไปแล้วแล้วก็จะเห็นว่าความเผลอเกิดแล้วก็ดับความรู้สึกตัวเกิดแล้วก็ดับภาวนาไม่ได้เอาอะไรสักอย่างเดียวเลยนะภาวนาเพื่อให้เห็นความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปต้องการแค่นี้ขออนุญาตนะคะคือคือถ้าบางครั้งนะคะก็จะเห็น เห็นความรู้ไปรู้สิ่งที่ถูกรู้แล้วก็จะรู้จักว่าความรู้กับสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยแบบควรไปพร้อมกันแต่แต่แต่จะย้อนกลับมาดูตัวที่เห็นว่าเออตัวที่เห็นนี่มีจริงๆอิงตัวที่เห็นเนี่ยมันต่างจากตัวที่รู้ตัวที่รู้เนี่ยมันส่งออกไปไปดูสิ่งที่ถูกรู้ค่ะแต่ตัวที่เห็นเนี่ยมันไม่ได้ส่งออกมันมีมันมีของมันหลวงปู่เทศท่านเลยเรียกสองอันเรียกจิตกับใจจิตเนี่ยวิ่งออกไปเสวยอารมณ์ใจเป็นธรรมชาติที่รู้ที่เห็นอยู่เฉย ถ้าสองงานนี้ไม่เที่ยงทั้งคู่ค่ะดูไปอย่างนี้นะดูทุกอย่างไม่เที่ยงอย่าไปประคองตัวรู้ไว้อย่าไปประคองตัวเห็นไว้อย่าไปรักษามันขอยหญ่อีกนิดนึงค่ะคือคื อ, คอบางครั้งช่วงขณะที่เห็นนะบางทีก็จะเห็นกายตัวเองมันคือเป็นกระดูกแล้วมันก็หายไป<ม>บางทีก็ดูแต่ละส่วนมันก็หายไปหมดเลยนะคะก็ดูตามความเป็นจริงค่ะว่าเออสิ่งที่สิ่งที่ที่เห็นกับตัวที่ไปเห็นืคือความรู้ที่ไปรู้มันมันก็แปลกวน แต่ตัวที่เห็นมันยังอยู่เนะคะมันมันต่างจากตัวที่รู้อันนี้เป็นผลของการที่ใจเราตั้งมั่นขึ้นมานะเป็นผลจากการทําสมาธิพมือจิตเรามีสมาธิมันจะตั้งตัวผู้รู้คงที่ไว้ตัวนี้ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไระแล้วก็พอย้อนมาดูกายนะเห็นเป็นปฏิปูลเป็นอาสุภาษเป็นกระดูกเป็นอะไรอย่างนี้บางทีก็แตกสลายไปขี้ผงไปเลยค่ะอันนั้นไม่ใช่การเห็นตามความเป็นจริงเพราะอะไรเพราะตอนนี้ดูไปเห็นกระดูกไหม มันเป็นอาการซึ่งเกิดจากสมาธิเป็นนิมิตนะเห็นตามความเป็นจริงนะลองสัมผัสดูสิของจริงนี่เป็นอะไรลองรูปดูตัวนี้บอกไหมว่านี่คือแขนของเรานะตัวนี้ไม่พูดเลยนะั้นการรู้ด้วยอํานาจของสมาธิมันก็จะรู้อะไรที่เกินธรรมดาแต่รู้แล้วมันทราบซึ้งถึงอกถึงใจมันข่มกิเลสบางอย่างได้เช่นข่มกามไดนะ้พอเราพิจารณาลงไปเห็น ตัวเเป็นร่างโครงกระดูกมองคนอื่นก็เห็นเป็นโครงกระดูกเนี่ยมันไม่มันข่มกามนะการที่มันข่มกลามได้มันเป็นสมถะเป็นสมถะนะเกิดจากการเพ่งกายแต่ว่าถ้าเราเฝ้ารู้ลงไปเราเห็นในร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนที่กระดูกกระดิกที่กู้ที่เหยียดเคลื่อนไหวอยู่ที่ทํางานต่างๆนานาอยู่เนี้เป็นแค่ของที่ถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเรา รู้สึกอยู่ต่อหน้าต่อตานี่เลยตัวที่กำลังกระดุกกระดิกมันไม่ใช่เราเหรอกนี่รู้สึกอย่างนี้เรียกว่ารู้ตรงความเป็นจริงแต่ถ้ารู้แล้วเห็นนิมิตแสงสีรูปร่างเห็นเป็นอย่างนว้นอย่างนี้นะเกินจริงเป็นผลของสมาธิแล้วตัวผู้รู้อย่าไปรักษาไว้ควบคุมไมโครโฟนเขาไม่ยอมนะขอบพระคุณมากเอาว่าไป อมงานมาส ก, การแลนะ้วบ้าไงไหมตอนตอนนี้หนูตื่นเต้นนะคะแล้วอยากส่งกันบ้านหลวงพ่อเพราะว่าก็ปฏิบัติมาได้สักพักนะะึ่งะะว่าทำตรงจริตหรือเปล่าแล้วก็ที่ทำเนี่ยถูกต้องไหมถูกถูกต้องดูไปเรื่อยๆนะใช้ได้ค่ะเห็นกิเลสแล้วตอนนี้ขนลุกค่ ะ, ะให้รู้ลงไปน ะ, ะเกิดอะรขึ้นรู้ลูกเดียบหลวงพ่อคะหนูมีสองอาการที่เกิดขึ้นแล้วก็อยากถามก็คือ อาการเมืออ่ะค่ะคือบางทีเวลาหนูเหมอะหรือว่าเวลาที่ร่างกายมันเหนื่อยมากหนูจะเมอพอเหมอเนี่ยหนูจะรู้ว่าเมอแต่มันจะอึ้งๆอยู่สักพักหนึ่งมันไม่ได้ขาดนะคะแล้วก็แล้วก็จะค่อยหายเมออยากให้ขาดไหมก็อยากให้ขาดเออไปดูอยากนะจิตมันมีกิเลสอยู่จะขาดได้ไงจิตมันมีความอยากอยู่ใช่แล้วก็อีกอาการก็คืออาการเส็งตัวเองค่ะเส็งให้รู้ว่าเส็ง เซงตัวเองแล้วอยากไปทําอย่างอื่นไห ม, ม ก, ก็รู้ว่าเซงก็เริ่มจะอยากบางนิดหน่อยขึ้ น, นคือมันมีสองตัวนะเบื่อเพราะกิเลสกับเบื่อเพราะปัญญาสองตัวเนี้ไม่เหมือนกันเบื่อเพราะกิเลสก็เรียกว่าเบื่อเบื่อธรรมดาถ้าเบื่อเพราะปัญญาเขาเรียกนิพิทาเรียกสโกอเลยเบื่อกิเลสเบื่อเพราะกิเลสเนี่ยมันจะเบื่ออย่างนี้จะไปอยากอย่างอื่นนะเช่นเบื่อภรรยา อยากมีกิ๊กเนี่ยนะอ่าอย่างนี้เบื่อกิเลสแต่ถ้าเบื่อนิพิทาเนี่ยจะเบื่อเห็นความสุขก็หน้าเบื่อเห็นความทุกข์ก็น่าเบื่ออะไรอะไรหน้าเบื่อหมดเลยกุศลอกุศลหน้าเบื่อเสมอกันหมดเลยทําไมมันหน้าเบื่อเพราะว่าเห็นความจริงแล้วว่าทุกอย่างชั่วคราวหาสาระแก่นสารไม่ได้เลยถ้าเบื่ออย่างนี้ดีนะถ้าเบื่อแบบกิเลสเป็นโทสะเบื่อแล้วเซ็งเซงอยากไปร้องเพลงเนี่ยใช่ไหมเบื่ออันนี้จะไปเอาอีกกันอย่างนี้เบื่อตามกิเลส ให้รู้ทันลงไปอีกบางครั้งก็จะเกิดอาการเกรงนะคะเวลาที่เฮ้ยเผลออีกแล้จะเซ็งเลยทำไมเผลอบ่อยอย่างนี้อะไรตรงนั้นสภาวะมันเกิดสามอันต่อ ก, กันอันนึงเผลอไปเป็นอ ก, กุศลอันที่สองเมื่อรู้ว่าเมื่อกี้เผลอเป็นกุศลอันที่สามกลัวจะเผลออีกก็ไปบังคับไว้ร่างกายมันก็จะแข็ ง, ข ง, งใช่จิตใจมันแข็งก่อนร่างกายก็แข็งตามแล้วก็ให้รู้ว่ามันแข็งแล้วก็เกรงใช่ไหมคะใช่ตอนนี้เผลอล <c oughs> แล้ว <c oughs> หรือรอคำตอบเลยอ่ะให้รู้ลงไปรู้คำตอบอยู่แล้วแก้งถามเป็นงั <c oughs> ้นเลยกราบนมาสการ์หลวงพ่อครับเพราะวันนี้ตั้งใจมาส่งกันบ้านครับก็าจากการปฏิบัติที่ผ่านมาแล้วก็จะอาศัยระลึกรู้กายและใจครับใช้สติระลึกรู้กายและใจในชีวิตประจำวันแล้วก็ทําตามรูปแบบด้วยครับก็ช่วงนี้ก็จะเห็นว่า จิตมันเกิดขึ้นเมื่อทุกครั้งที่มันมีการกระทบแล้วก็รับรู้อารมณ์จากภายนอกแล้วก็จากภายในเองะครับก็จะเห็นเขาทํางานทั้งวันเห็นเขาทํางานของเขาเองเห็นเขาเกิดแล้วก็ดับแล้วก็เห็นว่าเขาทํางานได้ของเขาเองครับตามเหตุที่มันมากระทบครับนี่ก็อยากจะถามหลวงพ่อว่าถ้าเราเห็นอยู่อย่างนี้แล้วครับเราจะต้อง พร้อมแล้วมัระวังตรงไหนหรือว่าจะต้องทํำตรงไหนให้มันดีขึ้นน <ทำ S 1> ําว<ม>่าจะท ำ, ทำใช่ไหมเมื่อกี้หลวงพ่อฉเฉลยแล้วบอกให้รู้เอานะ <c oughs> ที่ปฏิบัติอยู่ถูกต้องแล้วดีแล้ว <c oughs> น, นี่เป็นพยายนของหลวงพ่ออีกคนหนึ่งนะใจที่มันตื่นแล้วรู้สึกไหมชีวิตเราเปลี่ยนใช่ครับมันเปลี่ยนมรือที่เราเป็นคนใ ห, <c oughs> ใหม่ที่ไม่ใช่คนเดิมรู้สึกไหมใจเราสว่างใจเราเบาใจเราโล่งใจเรามีความสุขเรือก็สั้นลงกิเลสก็อ่อนลงเพราะเรารู้ไหวขึ้นใช่ครับ นั่นแหละฝึกไปแล้วเราเห็นผลด้วยตัวของเราเองไม่ต้องทําอะไรเพียงแต่ว่าคอรู้บ่อยๆรู้ไปเรื่อยๆแต่ตอนเนี้เกรงเกินไปออครับให้รู้ไปอย่างที่เป็นธรรมชาติที่สุดธรรมดาที่สุดแม่พวกเด็กๆที่ไม่เคยเข้าปฏิบัตินะเข้าคงเข้าคอร์สอะไรเนี่ยฝึกง่ายแต่ฝึกง่ายเป็นเร็วแต่ขี้เกียจพราถ้าขยันปฏิบัติคงไปเข้าคอร์สนาะนะ อย่าขี้เกียจ น, นะพิทรอนาใช้ได้แล้วดีแล้วใจเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาแล้วดีนเด็กหน้าตาใสาๆเยอะ ก, การนมัสการหลวงพ่อจ้ค่ะยอมข<พ>ออนุญาตส่งส่งกันบ้านจ้าค่ะก่ อ, อ, อนหน้านี้เนี่ยร่างกายเคลนไหก็จะตื่นขึ้นมาตอนนี้เนี่ยเริ่มเห็นถึงเ อ, อความอยากอย่างเช่นว่าเกาอยากจะไปเกาเริ่มเห็นตรงนี้แต่ว่าพอเ อ, อ เห็นถึงอาการแล้วที่กำลังมือกำลังจะไปเคลื่อนไปเกาเนี่ยมันเพ่งมื อ, อมก็รู้ว่าเพ่งแล้วก็ไม่ชอบอก็รู้อีกว่าไม่ชอบอแบบนี้นี่ก็ดีแล้วเนี่ยรู้ลงปัจจุบันไปด้ยอะไรปรากฏก็รู้ไปดีแล้วเ ข, ขาที่ท้าหลวงพ่อสอนว่าโยมยังตั้งใจงลดลงแล<ห>้วใช้ได้ดีขึ้นเอาจีรัสมองกันตัวแข็งเลย นวัฒการหลวงพ่อครับคือวันนี้ก็จะมาส่งการบ้านหลังจากปฏิบัติในสัปหักกันแล้วนะครับคือจะเรียนถามว่าคือวันหนึ่งมันเกิดความรู้สึกขึ้นมานะครับว่าคือวันนึงนี้ไปอยู่กีฬามาอย่างหนึ่ปกติเนี้ยเวลาดูนี้จะมีการตื่นเต้นไปกับกีฬาตา่างต่างด้วยแต่ประเด็ว่าวันนี้เกิดความรู้สึกว่าคือความตื่นเต้นมันก็ยังอยู่แต่ว่าใจอย่างนี้มันก็ชุกเฉยนเฉยรู้สึกว่ามันมันไม่ไม่ ใจไม่ไหลไปตามตลครับใ จ, ใ, นน ใ, จใจเหมือนตอนนี้ไหมก็ <c oughs> ตอนนี้ตื่นเต้ น, นมันก็มีอยู่ใช่ไหมเฉ<ช>ยๆก็ยังมีอยู่ก็ยังมีอยู่ครับอันนี้เกิดจากการที่เรายัางประคองความรู้สึกตัวไว้มันจะมีตัวหนึ่งนิ่งตัวอื่นเคลื่อนไหวแต่มีตัวหนึ่งนิ่งกว่าความเป็นจริงนั้นถ้ายัางภาวนาแล้วมีตัวหนึ่งนิ่งกว่าความเป็นจริงเนี่ยยังไม่ใช่ยังจงใจปฏิบัติอยู่แล้วล่อย จะต้องดูดูไปตามธรรมชาติดูไปตามธรรมชาติอย่าจงใจมากลดความจงใจลงแล้วมันจะพอดีจงใจแรงไปใน่ใจหนีไปคิดทราบไหมใจไหลไปก็รู้สึกเนี่ยตรงตร ง, ตรงสังเกตไหมตัวที่รู้สึกเมื่อกี้เนี่ยใจโล่งขึ้นมาตอนเนี้ยเริ่มไปกดให้มันนิ่งอีกแล้วตัวออกไหมดูออกครับอย่า ก, กดมันมันไม่ดีก็ได้นะเราไม่ได้ภ า, าวนาเอาดีไม่ได้ภ า, าวนาเอาความสุขไม่ได้ภ า, าวนาเอาความสงบ เราภาวนาให้เห็นความจริงของกายของใจถ้าเห็นความจริงแล้วมันไม่ยึดถือพอไม่ยึดถือแล้วมันดีมันสุขมันสงบเออีกข้อนึงนะครับคือที่หลวงพ่อเคยเทศผมเคยฟังผมจาได้ว่าพี่บอกว่าความคิดเนี่ยเป็นความฝันในตอนกลางวันส่วนความฝันในตอนก็คืนนี้ก็เป็นความคิดคืออันนี้ผมเห็นนะครับเพราะว่ามีอยู่ประมาณวันสองวันที่แล้วครับคือคือผมเนี่ยเกิดมีโทสะขึ้นมาในจิตใจนะครับแล้ว มันเกิดความรู้สึกจุกขึ้นมาครับทีนี้พอจุกแล้วปรากฏว่าคือก็พยายามดูครับก็หายไปสักคราบหนึ่งแต่พอนอนเข้าไปเนี้ยคือพบว่ามันเหมือนกับยามีตะก้อนของทวาสาร์อยู่ครับคือนอนไปก็คือยังไปฝันถึงเรื่องนั้นอยู่อะไรกับเกี่ยวกับเนี้ยครับวิธีจิตที่ฝันกับวิธีจิตที่คิดกันมันก็อันเดียวกันความฝันมันก็คือความคิดตอนนอนหลับความคิดก็คือความฝันตอนตื่นเพราะฉะนั้นในโลกนี้เรากําลังเดินอยู่ในความฝัน หาคนที่ตื่นขึ้นมาจริงๆทั้งกายทั้งใจนะหายากที่สุดเลยตอนนี้ที่มาเรียนกับหลวงพ่อแล้วตื่นขึ้นมาได้มีสักพันหนึ่งมั้งเยอะแล้วนะเยอะแล้วส่วนมากหาสักคนหนึ่งก็ยากเมื่อก่อนเคยสอนเพื่อนๆยังไม่ได้บวชไปไหนแต่เดิมเราไปสองสามคนต่อมาต้องไปรถตู้เรามาไปรถบัสเล็กๆ เวลาเข้าไปสํานักครูบาอาจารย์ที่ท่านหันมามองบางองค์ออกปากเลยเอ๊ะมันไปรวมกันมาได้ยังไงมันตื่นมาหมดเลยทั้งๆที่จริงๆแล้วคนที่จะตืิดขึ้นมานะแต่ละแห่งแต่ละที่หาสักคนสองคนก็ยากนี่หลวงพ่อวยังบุญ่ะไปเจอครูบาอาจารย์ท่านสอนแล้วถูกกระจริตเจอหลวงปู ด, ดูลท่านสอนถูกกระจริตให้หันดูจิตตัวเอง ตั้งแต่เด็กๆทําแต่สมถะทำแต่อาณาปานสติหายใจอยู่22ปีน ะ, จะเจริญปัญญาไม่เป็นเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าทําสมถะแล้วจะเกิดปัญญาอัตโนมัตินะไม่เกี่ยวกันเลยสมถะมันเป็นที่พักผ่อนพักผ่อนมากๆไม่รวยเห็นไหมทำสมถะมากไม่ได้ทําให้เกิดปัญญาแต่จเจริญสติทําให้เกิดปัญญาจเจริญสติรู้กายก็รู้ความจริงของกายจเจริญสติรู้ใจก็รู้ความจริงของจิตใจ การรู้ความจริงของกายของใจเรียกว่าปัญญาแต่ว่าเมื่อเราจเจริญสติไปช่วงหนึ่งจิตใจเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าตอนนี้แหละเราก็พักผ่อนเราทําสมถะนะไม่ใช่ไม่ให้ทํานะบางคนต้องต้อ ง, ต, องต้องทํามากด้วยบางคนก็ทํานิดหน่อยบางคนทําไม่ได้ก็ไม่รู้จะทํำยังไงเมื่อทาไม่ได้ก็ต้องอาศัยอย่างอื่นอาศัยการมีสติรู้ไปว่าใจหมดเรื่องหมดแรงแล้วอาศัยมีสติรู้ว่าใจกําลังฟุง้งใจไม่ถึงฐานนะอะไรเงี้ย รู้ทันแใจสักพักหนึ่งนะมันค่อยๆตั้งมั่นขึ้นมามีกําลังขึ้นมาแต่ว่ากําลังของจิตใจที่ทรงตัวขึ้นมาอย่างเนี้ยไม่แนบแน่นยาวนานเหมือนคนที่เข้าชาญมาแต่ว่าจําเป็นต้องอาศัยเพราะว่าเข้าชาญไม่เป็นทาสมถะลึกๆไม่เป็นก็ต้องอาศัยเอางนั้นจริงๆการภาวนาที่ดีที่สุดนะในอุดมคติเลยก็คือมีสติรู้กายรู้ใจไปถ้ารู้จิตใจได้ก็รู้ไปเลย เพราะจิตใจเนี่ยใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสิ่งทั้งหลายสาเร็จได้ด้วยใจกุศลอกุศลมรคนิพพานเกิดขึ้นที่ใจนี่เองถ้ารู้ถึงจิตถึงใจได้ก็ดีถ้ารู้จิตรู้ใจไม่ได้มารู้ร่างกายเห็นร่างกายเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนเป็นธรรมชาติที่จิตไปรู้เข้าถ้ารู้กายก็ไม่ไหวก็ทำสมถะทาความสงบทาอะไรไม่ได้พุโทโธไว้ก็ยังดี หรือไปดูท้องของยุบก็ได้ไปขยับมืออย่างสายหลวงพ่อเทียนก็ได้อะไรก็ได้ทําไปอย่างสบายใจให้จิตสงบพอจิตสงบแล้วมีความสุขขึ้นมามีสติรู้ทันว่ามีความสุขนี่กลับมาดูจิตได้ละนี่ถ้าภาวนาอยู่อย่างนี้ก็จะภาวนาไปอย่างราบรื่นมีความสุขแต่บางคนทําความสงบไม่ได้จิตใจก็ฟุ้งขึ้นมาก็ได้แต่แค่ดูว่าฟุ้งนะเหนื่อยมากบางทีก็อาศัยไปนอนหลับบ้างนะเครียดจัดจัดก็ ทำอะไรไม่ได้แล้วไปฟังเพลงสักเพลง น, ง, งนึงอะไรเงี้ยอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นตัวล่อหรือทาอะไรไม่เป็นพุโทโธลูกเดียวไม่รู้จะทำอะไรแล้วพุโทโธไปหรือว่าทำอะไรที่เป็นกุศลขึ้นมานะซื้ออาหารไปเลี้ยงปลานะตามแม่น้าอะไรเงี้ยจิตใจมีความสงบมีความสุขขึ้นมาเพราะมันได้ทำบุญต่ก็ตั้งมั่นมารู้กายมารู้ใจต่อไปการปฏิบัติจะต้องเดินอย่างนี้นะ ไม่ใช่ภาวนาแล้วจะเจริญสติรวดไปเลยมันแห้งแรงไม่มีเรี่ยวมีแรงพอจะต้องรู้จักพักเหมือนกันอนใครจะคุยต่ออ่ข อ, ขอการของพอค่ะผลิตแบบหนูนี่เหมาะจะดูจิตวะค่ะแล้วจะดูยังไงมหม อ, มอเป็นคนช่างคิดมอที่จะดูจิตล้วจะดูยังไงอะเหรอรู้จักโมโ oh หไมเคยโกรธไหม เคยอยากไหมอยากดูหนังอยากดูการ์ตูนอยากกินขนมเคยไหมเคยค่ ะ, ะเคยอิจฉาไหมเคยค่ะอิจฉาใครอิจฉาน้องไหมไม่ค่ะไม่นะ้อนี่เกรงใจพระน้องมา ด, ด้วยนะเคยรู้สึกไหมแต่ละวันรักแม่ไม่เท่ากันเคยค่ะอ่เนี่ยเห็นไมอะไรอะไรเราก็รู้ใช่ไมเพราะั้นต่อไปนี้ความรู้สึกในใจเราเป็นยังไงนะรู้ว่าเป็นอย่างนั้น ใจเรากำลังอิดชาหรือว่าอิดชาใจเรากำลังกระตื่นเต้นหรือว่าตื่นเต้นใจเรากลัวหรือว่ากลัวนะใจเราดีใจใจเราเสียใจคอยรู้ไปเรื่อยๆเด็กเล็กๆหัดง่ายนะเด็กหัดง่ายต้อไงอีกหมดหมดแล้วอ้าหมดแล้วจมครั้งนี้กรรมนมำสการครับหลวงพ่อก็ผมได้อปฏิบัติมาช่วงหนึนะครับแต่ ไม่แน่ใจว่าปฏิบัติถูกต้องอยู่หรือเปล่าใช่ได้นะดีแล้วใจก็ตื่นแล้วละ่ะรู้สึกไหมจิตฟุง้งซ่านรู้สึกไหมอนาเท่ามันว่างๆนะจิตก็หนีไปเที่ยวจิตนี้หนีก็รู้นะไม่ใช่ว่าห้ามบางคนร้อนาอนร้อนก็น พ, พวกเราเยอะเกินผลพ่อครั บ, รบขอโทษครับขอขอีกนิดนึงได้ไหมครับอ่ว่าไปที่ผมก็ปฏิบัติอยู่ตามที่ปฏิบัติอยู่ตอนนี้ไปใช่ได้ ดูไปได้เลยๆนะตอนที่มันตื่นเต้นมันเกินจริงที่ฝึกอยู่ที่บ้านใช้ได้ ก, นะาการนมัสการหลวงพ่อค่ะไหนยกมือหน่อยนี้ค่ะอ๋อค่ะก็คือครั้งก่อนเนี่ยเคยเรียนถามหลวงพ่อแล้วว่าการดุจจิตของตัวเองเนี่ยมาถูกทางหรือยังหลวงพ่อก็บอกว่ามาถูกทางแล้วแล้วก็ได้ปฏิบัติในการฟังเทปฟังซีดีของหลวงพ่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าตัวเอง ดูจิตแล้วรู้แต่รู้มากจนไม่แน่ใจว่าฟุงสซ่านหรือเปล่าก็เลยอยากจะเรียนฟุ <r> ้งซ <spe> <nia> ่านก็ใช้ได้ฟุงสซ่านรู้ว่าฟูงสซ่านก็คือดูจิตเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราอยากจะส่งกับบ้านหลวงพ่อว่ามันพัฒนาการดีขึ้นหรือว่าใช่เห็นไหมล่ะใจเราไม่ได้เครียดอย่างแต่ก่อนแต่ก่อนเราเพ่งไว้แรงเพ่งไว้จนเครียดเลยตอนนี้มันคลายออกมาก็ดีขึ้นเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมจิตใจทํางานทั้งวันทั้งคืน นั่แหละไปฟังซีดีต่อค่ะกล่าวหงพ่อค่ะในซีดีของหลวงพ่อแก้พวกเพลงได้ด้วยนะหลอกให้ฟังไปเรื่อยๆลืมเพลงเออการมานะการสการหลวงพ่อครับอะไรงานเพื่การปฏิบัติครับคือผมเห็นจิตเนี่ยเมื่อเกิดการกระทบอารมณ์ทางหูตาหูตาหูอิงหายใจแล้วก็จะเกิดสภาวะติดต่อกันเป็นเหตุเป็นผลของการละกัน เหตุหนึ่งมันก็เป็นผลของเหตุเหตุหนึ่งเมื่อมันเกิดตอเกิดต่อกไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ว่าจะเกิดมากขนาดไหนที่สุดแล้วก็คือความดับความเกิดกับความดับเนี่ยมันอยู่ติดกันเหมือนกระดาษแผ่นเดียวเหรอครับไม่ว่าเราจะจะไม่ว่าจะกระดาษจะบางกระดาษไหนเนี่ยมันก็อยู่ติดกันนิดเดียวแค่นั้นเองใช่ใช่เพราะสภาวะธรรมนั้นเกิดดับติดต่อกันรวดเร็วมากทุกตั้งเลยทีนี้เมื่อดูจิตมีครั้งหนึ่งมันไปดูความดับแล้วครับ มันเห็นโดยที่เราไม่ได้จงใจมันเห็นของมันเองเนี่ยค่ะพอมันเห็นปุ๊บมันรู้ว่าโอ้ยความดับเนี่ยมันอยู่ตอนหน้าต่อตาเรานี่เองเมอเราเห็นเกิดปุ๊บจริงๆก็คือดำนั่นแหละครับก็ถูกแล้วแต่ว่าต้องลดความจงใจลงนิดนึงนะจงใจแรงไปเอความจงใจรู้สึกว่ามันพอพอเห็นความดับแล้วความจงใจก็จะลดน้อยลงไปมากพอสมควรตอนนี้มัน มันมันมันเหมือนกับพัฒนาขึ้นมันบอกตัวเองอะครับมันบอกว่าตอนนี้สภาวะมันมันบอกว่ามันมันดูแล้วมันตั้งใจละมันจะไปดูความหลงมันเห็นเลยว่าตอนเนี้ยเวลาเราทําอะไรไปเนี่ยมันหลงพอจิตเกิดพอจิตเกิดการกระทบปุ๊บความปรุงแต่งเนี่ยความคิดเนี้ยจะเกิดขึ้นมาทํำแล้วก็ไม่เกิดสภาวะต่างๆตามมาเรื่อยๆแต่ถ้าเราไปเห็นความหลงก่อนเนี่ยมันก็จะดับไปทันทีใช่ เพราะว่าความปรุงแต่งทั้งหลายเนี่ยนะอาศัยความหลงเป็นพื้นฐานถ้าถ้ามีสติอยู่นะมันก็ไม่หลงไปแต่ระวังอย่าไปปรุงแต่งสติปรุงแต่งสติก็ได้นะมันจะไม่ใช่วิปัสนาหรอกแต่จงใจไปรู้จงใจไปดูจงใจกำหนดเนี่ยไปปรุงแต่งมันขึ้นมาแต่ถ้ามันรู้เองเห็นเองใช้ได้มันจะเห็นเกิดแล้วดับวับเลยนะในขณะนั้นเลยเออไอไอคา การเห็นความหลงเนี่ยครับบางกีนะครับมันมันเหมือนกับโดนสภาวะของของอคุสโอนครอบงาเห็นแล้วก็เห็นแล้วจะเหมือนกับว่าตื่นขึ้นมากลางอากาศลอยอย่างครับเห็นแป๊บเดียวแล้วก็ดับไปไถูกต้องแล้วแต่แต่ถ้าเกิดในขณะที่จิตมีกําลังเนี่ยมันจะเห็นสภาวะเกิดเกิดเกิดเกิดเกิดเกิดเกิดไปเรื่อยๆอะครับแต่ว่าจิตมีกําลังคุมมันอยู่อย่าเงี้ยครับแต่มันเกิดดับเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆ ตรงนี้แหละที่หลวงพ่อบอกว่าอย่าไปจงใจมัน<ะ>ของคุณมันทําสมาธิมามากนีพ่พอจิตมันมีกําลังของสมาธิมากเวลาเห็นเนี่ยนะมันเหมือนบางจิตเห็นแล้วตั้งอยู่ได้นานๆเห็นเกิดดับต่อนเนื่องได้นานๆครับ<ะ>ตัวเนี้ยถ้ามันจงใจดูมันจําสภาวะได้แล้วมันก็จงใจคอยดูอยู่อย่างเนี้ยอาจจะทื่อๆเกินไปมันจงมันดูอยู่อย่างเดียวถ้าเห็นราคาก็<ะ>าเห็นราคาราคาราคาที่เลื่อยนะมันจงใจแรงไปให้คลายออกอย่างนั้นให้รู้เล่น รู้เล่นๆนะต้องภาวนาอย่างมีความสุขถ้าภาวนาแล้วจริงจังเกินไปมันจะเครื่องเครียดจิตใจไม่สบายครับแค่นี้นะครับลดความจงใจลงนิดนึงนะนิดเดียวนะลดมากขี้เกียจฝืนครับการวัสการของพ่อนะครับคือเมื่อก่อนจิตเพ่งครับผมออตอนนี้ก็มาดูว่าตอนไหนเพ่งตอนไหนเพ่งดูไว้เรื่อยๆจนมันรู้อันนึงจะเห็นอาการพอพอ พ อ, อปุ๊บมหยประกอบตั้งเลยมันจะลุ้คือเมื่อก่อนจะไม่เห็นนะคะแต่พอฝึกดูไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะการประกองชัดมากอืมพอรู้ทันมันก็จะหายอืผมใช้เวลาในการฝึกดูเรื่องเพ่งเนี่ยเกือบปีนะกว่าจะหายเพ่งเนี่ยครัตัวนี้ยากครับยากที่สุดเลยเพราะว่าติดสมถะเนี่ยนะแก้ยากมันติดแล้วเพ่งพอเพ่งแล้วมันรู้สึกดีบางทีเพ่งแล้วก็รู้สึกว่ารู้อะไรได้ชัดเจนรู้ได้มากเห็นไหม เพ่งแล้วจิตไม่ไปปรุงอ่กุศลขึ้นมาเราก็เป็นคนดีอยู่มันติดดีงั้นการที่เราเพ่งกายเพ่งจิตเนี่ยนะคือการดัดแปลงกายดัดแปลงจิตเนี่ยในอัธกาถาท่านเรียกว่าปุญญาพิสังขารความปรุงแต่งฝ่ายดีความปรุงแต่งฝ่ายดียดถ้าเกิดจากอวิชชาเช่นเดียวกับความปรุงแต่งฝ่ายชั่วนั่นเองเราอยากให้กายนี้ใจนี้มีความสุขใช่ไหมอยากให้มันพ้นทุกข์ทาวอนเนี่ยมีความรู้สึกรักในกายในใจมาก ก็เลยพยายามเพ่งเอาเพ่งเอาคิดว่าทําไว้แล้ววันหนึ่งมันจะดีแต่เมื่อวันใดเรารู้ทันสภาวะเราเพ่งอยู่รู้ว่าเพ่งอยู่การเพ่งก็คือความปรุงแต่งชนิดหนึ่งเกิดขึ้นมาก็เพื่อตอบสนองความรักตัวเองดีแล้วที่ภาวนาใช้ได้อ่ครับคือแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้หายทุกวันนะครับบางวันมันก็กลับมาเพ่งอีกถ้ารู้ทันมันเรื่อยๆว่ามันบังคับไม่ได้บังคับไม่ได้ครับผมคําว่าบังคับไม่ได้ก็คือคําว่าอนัตตานั่นแหละ ครับ อ, อมีอยู่ครั้งหนึ่งไปทำเผยทําปิดปิดมาใจหมองครับก mm ็ hmm. คือรู้รู้ทันนะครับคิดเรื่องแต่ว่ามันไม่มันความคิดมันหายแต่ว่าความมองของใจมันไม่หาย mm hmm. เป็นวิบากใช่ไหมครับเป็นวิบากวิบาก ค, ค, ครับผมอต้องชดใช้ครับผมเป็นวันนะครับกว่าจะหายครับผมแต่ก็อย่างเวลาเราไปทํากรรมชั่วมานะกิเลสดับไปแล้วการจะทํากรรมเสร็จไปแล้ว แต่ ใ, ใจน่ะเศร้าหมองไปอีกพักหนึ่งเี่ยมัวมัวขุนขุ่นไม่แช่มชื่นเนี่ยใช่ครับเป็นอีกช่วงหนึ่ง ต, งต้องต้องชดใช้นะดีกว่าชดใช้ในนรกนะในสถนเนี้ยครับผมขอถามเรื่องสัมปัญญนธยาสิไหมครับสัมปัญญยาสิคือปัญญาเบื้องต้นใช่ไหมครับใช่ฉะนั้นสัมปันญยาจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีสัมมาสติถูกไหมครับใช่คือจริงๆแล้วต้องอาศัยการมีสติทัท้งหมดนะนะกุศลถึงจะเกิดขึ้นได้ อุสนเนีเกิดโดดโ ด, ดโดยไม่มีสติไม่ได้นีตัวที่เราอาศัยในการปฏิบัติเนี่ยก็คือสติกับปัญญาปัญญามีหลายระดับปัญญาเบื้องต้นเรียกว่าสัมปชัญญะสัมปชัญญะเป็นตัวที่คอยช่วยประคับประคองให้เราเดินได้ถูกทางหน้าที่ของสัมปชัญญะคือทำให้เราภาวนาได้ถูกถูกทางถ้าจะทำสมถะก็ทาได้ถูกหลักของสมถะจะทาวิปัสสนาก็ทำได้ถูกหลักของวิปัสสนา นี่อย่างถ้าเราทำมิปัสสนานะเราก็ามีสัมผัชัญญาสัมผชัญญามีเสียอคือความรู้ความเข้าใจหรือปัญญาที่รู้ว่าเราจะทำอะไรจะทำเพื่ออะไรจะทำอย่างไรระหว่างทำก็ไม่หลงไม่เบลอไปทำอย่างอื่นซะไม่ลืมงานหลักของเรางั้นอย่างเราจะทามิปัสสนานี่ยหมเนี่ข้อที่หนึ่งเราจะทำอะไรทำมิปัสสนาทำอย่างไรสัมผัชัญญาจะเป็นตัวบอกเราว่า ให้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรู้ลงปัจจุบันด้วยจิตใจที่เป็นกลางนี่หลักของวิปัสสนาทำทำอะไรทำเพื่ออะไรวิปัสสนาทำเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจเพื่อรู้ความจริงทำอย่างไรให้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงแล้วเสร็จเร็จแล้วเราก็จะได้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงระหว่างทำไม่เผลอไปเพ Hands ่งสละไม่เผลเอใจลอยไป นี่เรียกว่า อ, าอาสัโ ม, มหะสัมปชัญญะสัมปชัญญะชนิดที่สี่เวลาทําแล้วไม่หลงไปทําอย่างอื่นนนี่พอเรามีสัมปชัญญะคล้ายๆเป็นคนกํากับเส้นไม่ให้เดินออกนอกลูกล่นอกทางมีสติรู้กายรู้ใจไปมีสัมปชัญญะกํากับไม่ให้หลงไปเพ่งกายเพ่งใจกลายเป็นสมถะเสียอย่างนี้มากเข้ามากเข้าต่อไปก็เกิดปัญญาปัญญาในระดับที่เรียกว่าวิปัสสนาปัญญาอันเป็นโลกีย ะ, ะก็จะเห็นเป็นปัญญาที่เห็นว่า ทั้งรูปธรรม ท, ทั้งนามรธรรมมีแต่เกิดแล้วกระดับเกิดแล้วกระดับเกิดแล้วกระดับเห็นความเป็นไตร ล, ลักษณ์ของรูปของนามของกายของใจนี่เป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งนะเป็นปัญญาในระดับวิปัสสนานะต่อไปมีปัญญาแจ้งขึ้นอีกระดับหนึ่งเห็นอริยสัจปัญญาที่เห็นอริยสัจเรียกว่าวิชาวิชาก็ล้างอาวิชาลงไปดังนั้นดีกรีของปัญญานะมีหลายตัวตัวแรกเลยก็คือสัมปชัญญะ เราจะทําอะไรจะทําเพื่ออะไรจะทําอย่างไรระหว่างทําไม่หลงไม่เผลอไปอใช้ได้อย่างนั้นอ่าครับผมคือตอนนี้ในรูปแบบของผมคือสวดวัดเช้ากับวัดเย็นใช่ไหมครับผมแล้วก็ตื้นไหมือตามในสายของหลวงพ่อเรียนอยู่นะครับผมอยู่อยู่ที่บ้านใจเหมือนตอนนี้ไหมไม่ค่อยเหมือนครับเออใช้ได้ตอนนี้มันจะตึงๆมาอยู่ะคระับเพราะไปตรึงความรู้สึกไว้ครับผม ระวังนะสายหลวงพ่อเตียนหลังๆคําสอนเคลื่อนจากที่หลวงพ่อเตียนสอนไปเยอะอ่ครับที่เป็นหลักจริงๆเลยก็ถ้านอาจารย์คำเขียนอใาใจารย์คำเขียนเนี่ยยังทรงคำสอนหลวงพ่อเตียนได้าบางคนนะบปั บ, บ, <ๆ S 2> บให้ไปเพ่งใส่มือเบื้องต้นต้องเพ่งไว้ก่อนหนลวงพ่อเตียนบอกไม่ให้ทําสมถะหลวงพ่อเตียนกลัวลูกสิษย์ติดสมถะท่านบอกร่างกายเคลื่อนไหวให้รู้สึกจิตเคลื่อนไหวให้รู้สึกให้รู้สึกไม่ได้ให้เพ่ง รู้สึกรู้กับเพ่งไม่เหมือนกันเพ่งมันเกิดจากโลภะอยากรู้ให้ชัดๆอยากไม่ให้คลาดสายตาแล้วถล่มลงไปจ้องในติดจิตตอนนี้จิตจิตติดเพ่งจิตเพ่งครับผมตอนนี้เพ่งเลยครับผมประคองอยู่ด้ืมที่ทําอยู่ถูกไหมครับไปได้ครับรู้สึกไหมใจเราค่อยเหมือนเหมือนมันเปิดออกเปิดออกครับผมครับแต่ว่ันนี้มืดมากเลยครับผมครับยังเรียกว่ามืดมาสว่างไป ครับน้ำมัสการหลวงพ่อขออนุญาตเขาข่ายรับถงครัหลวงพ่อผมถามว่าเวลาผมนั่งนะคบางครั้งแข็งทื่อนะฮะแล้วบางครั้งก็สบายเบาแล้วก็เหมือนกับเลือดแต่ลมหายใจนะฮะที่ยอมมันเป็นสมถะเราใช้สติปเราลึกรู้ลมหายใจครับผมถ้าเราลึกรู้แบบสบายๆไม่ได้คาดหวังว่ามันจะสงบจิตก็จะรวมสงบลงไปแล้วมีความสุขเบาๆ นะแต่ถ้าเราหายใจไปแล้วเราก็ไปเค้นใจไปบังคับใจจะให้มันสุขให้มันสงบเนี่ยมันจะเครียดขึ้นมารหรือบางทีเพ่งมากไปนะพอเพ่งมากไปเนี่ยจิตไหลไปเกาะนิ่งๆอยู่ที่ที่ลมหายใจครับแล้วตัวก็แข็งไปเลยรรกระดุกระดิกไม่ได้ดังนะั้นที่โยมทําอยู่ยังเป็นสมถะนะเนี่ยจากสมถะเนี่ยต้องหาทางคลิกขึ้นสู่วิปัสสนาให้ได้ไม่อย่างนั้นเราจะเสียโอกาสครับนะ การคลิกจากลมหายใจขึ้นวิปัสนาเนี่ยให้โยมนั่งหายใจเล่นๆหายใจเล่นๆนะไม่จริงจังไม่ได้มุ่งเอาความสงบเป็นหลักหายใจไปแล้วก็ค่อยๆดูไปร่างกายที่หายใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูเห็นไอ้คนเนี่ยมันหายใจคือเห็นตัวเองนั่งหายใจไปเรื่อยๆใจเราเป็นแค่คนดูเห็นมันหายใจออกหายใจเข้าไปเรื่อยๆการหายใจที่ดีต้องหายใจออกก่อนถ้าหายใจเข้าก่อนเนี่ยใจจะแข็ง เริ่มต้นหายใจออกเนี่ยมันจะรู้สึกผ่อนคลายเพราะฉนั้นพอเราก็รู้ไปรู้ร่างกายหายใจด้วยความผ่อนคลายไปอย่างนี้ก็ใช้ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือพอเราหายใจไปแล้วจิตแอบไปคิดเรารู้ว่าจิตหนีไปคิดแล้วครับจิตไหลไปเกาะนิ่งๆอยู่ที่ลมหายใจเรารู้ว่าจิตไปเพ่งลมหายใจแล้วจิตมีปีติรู้ว่ามีปีติจิตมีความสุขรู้ว่ามีความสุขจิตเหลอรู้ว่าเผลอจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นยังไง นี่ก็เรียกว่าการอาศัยลมหายใจเป็นฐานไหมเป็นพื้นฐานเป็นเครื่องอยู่เป็นวิหารธรรมแล้วเราก็ตามรู้จิตใจของเราไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ใช้ได้การทําวิปัสสนาต้องรู้กายต้องรู้ใจนะอย่าไปรู้ลมแล้วนิ่งสงบสงัดอย่างเดียวก็ได้แต่สมถะต้องพลิกขึ้นเป็นวิปัสสนานะดูไปเห็นร่างกายมันหายใจนะเราเป็นคนดูเหมือนดูคนอื่นหายใจเดูไปแล้วจิตใจแอบไปทําอะไรก็คอยตามรู้ไปเรื่อยๆไม่บังคับให้นิ่ง โดยอย่างนี้นะแล้วมันจะพัฒนาต่อไปจะรู้เลยว่ากรรมฐานที่พระพุทธเจ้าสอนน่าอัศจรรย์มากเลยแค่รู้สึกตัวก็มีความสุขแล้วแต่ก่อนต้องไปนั่งสมาธิตั้งนา น, นกว่าจะมีความสุขใช่บนะครับแค่จริงใจเราเป็นกุศลขึ้นเมื่อไหร่ใจก็มีความสุขขึ้นมานั้นเลยเมื่อไหร่มีสติเมื่อนั้นก็เป็นกุศลเรียบร้อยแล้วขอพระอาจารยนิดหนึ่งครับหลวงพ่อที่หลวงพ่อที่ว่านอนตักแทงซ้าย เรองนอนตะแคงขวานอนตรงยังไงฮะที่นอนที่ถูกหลักกันเลยในการพวกานอนถูกหลักกันนะก็คือนอนแบบรู้สึกตัวไว้อย่าไปนอนนานเกินไปครับ <c oughs> นอนพอสมควรพอหายเมื่อยพอหายง่วงแล้วก็คอยรู้ถ้าร่างกายมันอยากอิดโรอ ย, อยู่ใจมันรู้สึกขึ้นมาแล้วก็นอนดูใจต่อไปครับแล้วก็นอนดูร่างกายมันพลิกซ้ายพลิ ก, กขวาอย่าไปนอนท่าเดียวนะเดี๋ยวเป็นแผลกดทับครับผมครับตามน้ำส ก, กัด ครับในมรสการค่ะพระาอาจารย์ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพระอาจารย์นะคะออพอดีสภาวะที่พระอาจารย์เทศนาเมื่อเมื่อสักครู่นะคะธรรมะตรงที่ว่าตั ว, ต, วตัวรู้กับตัวสภาวะที่ถูกรู้เนี่ยมันเพิ่งเกิดกับของโยมนะคะที่ที่ก่อนจะมาหาพระอาจารย์นะคะแล้วก็เมื่อกี้ก็ได้บทสรุปตรงที่ว่า เอ่อตัวตัวผู้รู้กับตัวสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยคือจะดูตรงไหน<ม>ซึ่งซึ่งจักภาวะตรงนี้เนี่ยเพิ่งจะเกิดกับกับกับโย ม, มแล้วคุณโยมก็กลังคิดถูกก่อนหน้านี้ก็กลังว่าเออสรุปก็คือจะดูตรงไหนแต่เมื่อกี้ได้บทสรุปจากจากของพระอาจารย์ตรงที่ว่าเออมันไม่ใช่ตรงไหนมันคือคือมันไม่ใช่ตัวรู้หรือสิ่งที่ถูกรู้อย่างนี้ไม่ทราบว่าเข้าใจถูกต้องไหมครับเข้าใจถูกต้องนะเพราะสุติเนี่ยเป็นอนัตตา ถ้าสติจ ะ, ะระลึกรู้ตัวรู้ก็ระรู้ไปสติจ ะ, ะระลึกรู้ตัวถืกรู้ก็รู้ไปแต่ว่าถ้าปนใดภาวนาแล้วมีตัวผู้รู้ขึ้นมาต้องระวังอยู่ข้อหนึ่งอันตรายที่สุดเลยก็คือการเพ่งใส่ตัวผู้รู้อย่าจงใจไปจ้องใส่ตัวผู้รู้นะเสียเวลาเป็นปีแก้กันนานเลยถ้าเพ่งใส่ตัวผู้รู้แล้วมันจะติดติดแล้วใจจะทื่อๆไปตลอดในครันเนี้ยแก้กันนาน ความจริงไม่น่าบอกนะน่าจะให้เป็นลองสักยี่สิบปีอย่างนี้อย่างนี้ไม่ถึงว่าก็คือรู้หรือไม่รู้มันก็คือให้เป็นกลางๆคือมัชชีมาตรงนั้นหรือเปล่าครับก็รู้บ้างไม่รู้บ้างมีสติขึ้นมาก็รู้ขาดสติก็เผลอไปไม่รู้รู้ก็ไม่เที่ยงไม่รู้ก็ไม่เที่ยงแต่ต้องรู้บ่อยๆหน่อยไม่ใช่เอะอะได้ยินหลวงพ่อบอกว่ารู้ก็ไม่เที่ยงงั้นงั้นก็ไม่ต้องรู้สิ อย่างนั้นใช้ไม่ได้นะรู้สึกบ่อยๆแต่ว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นเกิดทีละขณะเกิดสั้นนิดเดียวนะถ้าพูดอย่างอพิธามก็เกิดเจ็ขณะจิตแลนั้นะเกิดแวบเดียวก็จะดับไปพอผู้รู้จะดับไปจิตที่รู้สึกตัวดับไปนะจิตดวงถัดมาเนี่ยอาจจะเป็นผู้หลงก็ได้นะอาจจะเป็นผู้เพ่งก็ได้อาจจะเป็นผู้รู้ขึ้นมาอีกก็ได้ถ้าเป็นผู้รู้ขึ้นมามันก็จะรู้ว่าเมื่อกี้รู้สึกตัวจะรู้ตามหลังไปเลยได้ แล้วก็มีจิตอีกดวงหนึ่งรู้ว่าแต่กี้ก็รู้สึกตัวเหมือนกันจะไล่ตามเป็นเป็นอย่างกระลุกคลื่นไล่ตามกันมาเพราะฉะนั้นจิตจะเกิดดับเกิดดับเกิดดับใครรู้บ้างคลื่นไม่ได้วิ่งนะรู้สึกไหมคลื่นอยู่กับที่นะไปดูให้ดีเะจิตที่ดูเหมือนวิ่งไปวิ่งมาก็เป็นภาพลวงตาจิตเกิดตรงไหนก็ดับตรงนั้นแหละเหมือนคลื่นในทะเลนะดูเหมือนวิ่งได้รอเรเอเือหรือเอาอะไรไปโยนไปสักหารสิจะเห็นว่ามันอยู่ที่เก่านั่นแหละ ลดการบังคับลงนิดนึงบังคับแรงไปรู้เล่นๆนะอย่าจริงจังมากบานหงพ่อนะคะเมื่อสามสี่เดือนก่อนนะคะโยมมาถามหลวงพ่อนะคะเรื่องการภาวนาโยมนั่งภาวนาแล้วค่ะจิตมันรวมนงนะคะแล้วก็เกิดปิดตินะคะแล้วก็ผ่านไปแล้วนะคะก็ไม่ฝนหลังก็เห็นไวๆแล้วค่ะใช่ไหมคะไม่คือ พอพอนั่งพอนั่งหลับตาปุ<ม>๊บอยเห็นี้คืไพูดตังนีดห้าหลวงพ่อแกะะ่แล้วหูตึงค่ะน่าวาไปเห็นไหวๆแล้วค่ะหลวงพ่อก็แนะนําให้ดูอะไรไหวๆไปนะค่ะโยมก็ภาวนาก็ดูไหวๆไปนะคะทีนี้พอพอตอนหลังเนี้คือมันไหวแรงมากค่ะแบบรู้สึกว่าตัวเนี่ยโยกพอลืมตามบองก็ตัวก็โยกตามที่ไหวๆด้วยนะคะแค่ดูใจเรานะไม่ได้ไปดูที่ไหวหวแค่รู้ว่ามีอะไรไหวไหวขึ้นมาตัวสําคัญคือต้องดูใจของเราเอง นะเช่นพอมันไหวๆแล้วใจเราถาล่มลงไปเพ่งเนี่ยมันจะโยกตามไปด้วนยะให้สักว่ารู้สักว่าเห็นสมมติว่ามันเกิดไหวๆขึ้นมาแล้วเกิดรู้ว่าตัวโยกเกิดตกใจให้รู้ว่าตกใจไม่ต้องดูที่ไหวๆให้พยายามรู้ทันใจของเราใจเกิดปฏิกิริยาอะไรขึ้นมาให้รู้ลงไปเลยไม่ได้ไปรู้แช่อยู่กับไหวไหๆนะบางครนะั้<า>งค่ะคือคุยกับเจ้านายเนี่ยคือเราพยายามทําสติเราค่ะ แล้วสุดมันก็ไหวด้วยนะคะไม่เอาสแม้<ห><ส>แต่ธรรมดาคุยกันยังไหวเล ย, ยเวลาคุยกับเจ้านายไม่ใช่เวลาเจริญสติ <c oughs> เ, ปเป็นเป็นเวลาทำงานต้องไปคิดเรื่องงานนะถ้าเจริญสติจะคิดอะไรไม่ได้จเจริญสติเดี๋ยวเจ้านายสั่งงานหูสักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่าได้ยินนะ <c oughs> ปลายปีเขาก็แจกซองให้ทีนี้โยมก็ด้วยไหวไปตัมภาวนา น, นะคะ เวลาดูไหวๆนะดูห่างๆออย่าจ้องไปใส่ไหวๆดูไว้ห่างๆคือคือรู้สึกว่ามันมันจะมีเอมันมีอีกตัวหนึ่งซึ่งมันมันคอนเซนเทรตอะแบบมันมันแรงอสมาธิมันอยู่ตรงนี้แล้วก็ดูไหวๆตรงนี้อีกตัวหนึ่งคนละอันกันนะคะคนละอันกันทีนี้มันแรงสมาธิแรงเกินไปพอพอโยมก็ดูไปเรื่อยๆอะค่ะพอพอมันคิดเนี่ยเวลาคิดสติก็รู้ทันปุ๊บ ก็อมันก็หยุดคิดนะคะไว้ก็จะแรงมากเลยพักหนึ่งมันก็จะหายไปหลังไอ้ไหวๆนี่ก็หายไปค่ะต้องลดลดความจงใจลงนิดหนึ่งถ้าคอนซูเนตแรงก็ไหวแรงแล้วสมาธิมันนํำไปสมาธิมากเกินไปลดสมาธิลงคือมันเป็นเองแล้วบังคับอะไรไม่ได้เลยค่ะหลวงพ่อพอหลังๆไอ้ไหวๆ่กหายไปไปเดนไหวไหมไปเดินบ้างอะไรบ้างเรดีริยาบดไปอย่านั่งรวดเดียวไปดู พอพอพอพอมันหายไปนะคะหลวงพ่อมันจะเห็นว่างๆค่ะแล้วเหมือนก็บค่าๆอะไรสว่างสว่างอยเงี้ยมันก็เห็นเป็นดวงกลมๆมันว่างก็รู้ว่าว่างไปสว่างขึ้นมารู้ว่าสว่างสว่างแล้วพอใจรู้ว่าพอใจหรือสว่างแล้วสงสัยว่าจะทํำยังไงอีกรู้ว่าสงสัยดูจิตต่อไปอีกอย่าไปดูสว่างแต่แต่ไอสว่างเนี่ยก็ไม่นานไปจะเห็นเป็นดวงกลมๆแป๊บหนึงก็หายไปค่ะแล้วก็เห็นเป็นไวๆลออย่างเงี้ยประคองไว้ได้นะก็จะเอาไปใช้งานได้แต่ว่าอย่าไปใช้เลย เอาไปดูคนอื่นได้ค่ะทีนี้คือคือนานมาแล้วนะก็มีหลวงปู่รูปหน่งเนีนยนะว่าเวลาจัดรวมแล้วนะคะพอพอพอพ อ, ออกมาเนี่ยให้รีบพิจณากายะคะ่ะโยงว่พยายามพิจาณากายแนละ้วแต่พิจารณายังไงก็ไม่เคยเห็นเลยกระดูก ไ, ไ, ไม่เคยเห็นสแกนมันไม่ตรงกันถ้าไม่ถูกเฉิต่ยมันก็เดินไม่ได้เพราะงั้นพอจิตรวมนะจิตถอยขึ้นมาเนี่ยให้ดูจิตไปเลยแสดงว่าควรจะพิจาราดูจิตอย่างเดียวไม่ต้องดูกายเลยใช่ไหมไม่ได้หรอก เรามีกายเราก็ต้องร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกเอาสติมันสั่งไม่ได้นะว่าให้รู้กายหรือรู้จิตบางทีมันก็รู้กายบางทีก็รู้จิตสั่งได้ที่ไหนไม่ได้หรอกแต่ว่าไม่ใช่ไปจงใจดูอันใดนหนึ่งมันรู้กายก็รู้มันรู้จิตก็รู้ไปขอกระคุณหลวงพ่อครอัพูดไทยได้ไอ่มพูดกับมม้กราบนมจักรค่ะหลวงพ่อคือ ลูกไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยนะคะแต่ว่าได้ฟังของหลวงพ่อจากทางอินเทอร์เนต็ตนะคะก็ทําไงสามีมาด้วยเ อ, อตอนขอเล่าสั้นๆนะจเจ้าของสามียุคครบรอบแปดสิบปีใช่ไหมคะสามีก็ไปงานวันเกิดของออของของสามีนะคะลูกก็ถามว่าเธอเธ อ, อไปวันเกิดของหลวงพ่อเธอเนะ่ยเธอเอาของขวัญอะไรไปให้เขาก็ไม่ได้บอกลูกนะเขาบอกไม่มี พอดีลูกได้ปัดลูกคอยไปตอนกลางคืนนะคะพอดีเขากลับมาลูกก็ถามเอาว่าเอ๊ะลูกก็ฝึกเขา ไ, ไม่ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะตอนนี้ลูกกผถานเขาบอกว่าก็เอาทองไปให้พ่อเขาเองเป็นของขวัญเขบอกเอ๊ะนั่นมันทองของฉันนะมันโมโหขึ้นมาทันดีเลยค่ะก็รู้ว่าโมโ oh ห oh นะคะก็เดินไปคือว่าจะว่าลูกฝึกตามระเบียบของหลวงพ่อที่เคยก็ไม่ได้มากมายแต่ว่าพอไปส่องกระจกในห้องน้ำล้างล้างหน้าไป ก็เห sí <ide> ็นตัวเองมันแยกออกไปมันการเล่านี่มันช้ามากค่ะหลวงพ่อแล้วก็ไม่ทราบเหมือนอะไรมันบอกว่าเอ๊ะนั่นก็กั้นธาตุก็กันแล้วจะความโกรธมันก็ทันทีทันใดอย่างนี้เลยค่ะไม่ทราบว่าสภาวะแบบเนี้ยคือพอสติมันเกิดนะมันไปเห็นความโกรธเข้าความโกรธมันจะดับนะแล้วพอใจเราตั้งมั่นขึ้นมาเราก็จะเห็นในร่างกายมันล้างหน้าอยู่ใจเราเป็นคนดูกายก็อันหนึงใจก็อันนึง ค่เหมือนมันแยกออกไปแต่ว่อมันแยกหมดเลยนะความรู้สึกสุขทุกข์ก็แยกออกไปค่ะความวคิดดีคิดร้ายก็แยกออกไปหมดเจ้าค่ะแต่ว่าเราเร า, เราก็ไม่โกรธเลยนะคะ ม, มันหายไปนะคะแต่ว่าหลัก็โกรธอีกค่ะโกรธอีกค่ะคือเกิดใหม่คือว่าโกรธลูกโกรธอะไรบางทีมาคิดนะเอ๊ะทำไมพ่ออย่างนั้นมันไม่เกิดขึ้นในจิตอย่างเงี้ยค่ะเอาซีดีไปฟังเยอะๆค่ะแล้วครั้งก็ขยันแบบรู้สึกตัวเวลานอนพลิกก็รู้ว่าเราพลิกโอ ตลอดเกือบตลอเลยนะคะเนี่ยเวลาฝึกแบบที่หลวงพ่อทาให้ฝึกนะไม่ใช่ไม่รู้กายนะรู้กายเก่งกว่าพวกรู้กายทั่วๆไปนอนหลับอยู่นี่ฟลิกซ้ายพิกกว่ารู้หมดเลยแล้วบางทีสวดมนนะคะปากรู้ว่าเราเปากขยับสวดแต่ว<ต>่าใจไป<ต>คิดไปแล้วบางครั้งลองดูนะคะถ้าแค่อีทีปีโสยังไม่ทันสวา่างคาโได้ต้องเป็นแบบ ห้าสี่หสิบครั้งทำไมจิตแล้มันคิดมากขนาดนี้ถูกต้องครภาวนาเก่งสติเราเกิดบ่อยพอเวลาใจไหลแวบนิดเดียวเราก็รู้สึกแล้วและมันอยู่ได้ชั่วคราวรู้สึกได้ช่วคราวก็หนีไปคิดอีกก็รู้สึกนะเพราะฉะั้นส่วนมนรทไปเรื่อยๆแล้วก็รู้ทันใจที่ไหลแวบแวบแวบแวบไปแล้วยิ่งได้สักสองวินาทีครั้งหนึ่งยิ่งดีคือว่าลูกอยากกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าสภาวะจิตของลูกในขณะเนี้ยมัน ปฏิบัติแบบบางทีไม่ตั้งใจจะดูหรือไงฮะนะ่ะนึกได้ก็ทํานึกได้ก็ทําอย่างนี้กันถูกต้องไม่จ้าพระเถู ก, ถกแต่นึกปล่อยหน่อยนะะไม่ได้นึกวันละครั้ ง, นะ ร, งรู้สึกรู้โดยไม่ได้จงใจจะรู้นะใช้ได้หมดเวลาแล้วครับก็ร่วมกันอนุมโมทนานะครับเราสวายถาน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 กิตตังปติตังตุมหังคิปเมวาสมิตชตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโดปนารโสยถามณีโชติลโสยถาสัพพีติโยวิวัชชนตุสัพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตารโยสุทีทีคาโยโภพวะอาภิวาธนาศีลิสนิจังอุวัาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันตีอายุวันโนสุขัง ปัลังปวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนาสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสุตีะวันตุเต